จันลอนพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตไฟทรรมทุกทุกท่านคืนนี้เราก็มาสนทนาธรรมถามตอบคำถามทางด้านปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งทุกท่านที่ต้องการที่จะถามก็เชิญเข้ามาในห้องได้อยาก จ, จะต้องรอคิวบันฑใครเข้ามาก่อนก็ถามก่อนส่วนท่านที่ไม่ได้มีคําถามก็ ชมสดทางเฟ e บุ๊กก็ได้ในการถ่ายทอดสดทางเฟ o บุ๊ก u t u b e หลายช่องด้วยกันแล้วแต่จะถนัดจะสนุกถ้าเราการถ้าต้องการจะถามเพื่อเข้ามาในห้องซูมนี้วันนี้ท่านแรกที่เข้ามาก่อนก็คือคุณสาธกาเชิญคุณสาธกามีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์มารับฟังค่ะปฏิบัติต่อนเนื่องค่ะ เจ็ดเป็นอเบกขาตลอดเวลานะพอได้ค่ะพอได้นะโอเคไม่วุ่นวายไปกับใครนะไม่ค่ะใครดีใครเช่วมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมค่ะไม่ได้ดีไม่ได้ชื่อไปกับเขานะคะค่ะค่ะโอเคให้รู้เฉยๆฉักแต่ว่ารู้ค่ะขอบคุณค่ะเกิดบัณฑิตใช่การครับการ ครับวันนี้มีคําถามครับอาจารย์ถามได้เลยเชนถามเสร็จแอัญญาณคุณไม่ค่อยดีคุณเกิดนะว่าได้ยินไนะครับอัญญาณคุณไม่ค่อยดีอ่าครับได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินอ้ออาวยกระสับตอบถามครับอย่างอย่าง อ่าที่เรื่องของการทําสมาธิทำสติครับสมมุติจะเกิดคนที่เขาฝึกกสินไฟเงี้ยครับอาจารย์แล้วเขาก็เหมือนจินตนาการว่าเขากําลังนึกถึงไฟประมาณเนี้ยครับอย่างเงี้ยถือเป็นการทำสถือว่าเป็นการทําสมาธิได้ไหมครับได้กระสินก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้จิตนิ่งให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการใช้สัญญาความจำให้นึกถึง สีลึกหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ให้พยายามรักษานั้นให้ตั้งอยู่ น, นานๆไม่ให้หายไปจตต้อ ง, อ, งอยู่ข้างใ<ห>นเราใ ช, ใช่ไหมครับก็ต้องดูตอนตอนตอน้ตนได้ยังไม่คืออันนี้ไม่ไ ม, มีไม่มีใครสอนเราก็เไม่อยากจะพูดพูดไปเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ปฏิบัติท่าที่เราคิดดูก็ต้องหลับตาแล้วได้ถึ ง, ถ, งถึงไฟขึ้นมาใช่ครับ ถ้ายังนึกไม่ออกก็ดูไฟก่อนดูข้างนอกก่อนดูไฟในตาดูดูไฟในกองกองเพล oh. ิงแล้วจำจาภาพนั้นไว้แล้วก็หลับตาก็นึกถึงภาพนั้นขึ้นมาเนียันตั้งไม่ใจไปชิดอย่างไร hmm. ถ้ามันอยู่กับไฟอย่างเดียวก็มันก็อยู่กับลมอยู่กพุโทโธแต่มันยากลมมันมีอยู่แล้วเห็นได้ชัดง่ายกว่า แต่แล้วคนจิตคนที่มีสติมากอาจจะใช้พลังจิตของเรากำหนดแสงสีอะไรแสงอะไรต่างสีอต่างขึ้นมาได้อันนี้แนละ้วแต่เจล็ดเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานสนะี่สิครับกสินสินี่กระสินสิสนสไปกตันดูสิครับเห็นไหมทั้งสีแสงสีแดงสีขึ้นเหลืองรือ ส, ส, สีแดงสีขาวสีขาวนี่ใช่เป็นใช่เป็น ที่ตั้งของสติได้อืมโอเคครับได้ครับแต่พวกเขายัง จ, จริตก็ยังโทรกับพูดโทที่อาจารย์สอนมากกว่าครับเพรามันง่ายาพูดโธง่ายไม่ต้องยุ่งยากใชครับรู้สึกว่าเหมือนเวลากลางคืนน้าสนเรานั่งไปเราก็ไม่ได้ดูเวลามันก็มันก็รู้สึกสดชื่นดีครับหมายถึงว่าเราอยู่กับลมหายใจของเราอะครับรอาครับ ภาวนาก็อย่าไปกังวลเรื่องเวลาให้มีสติอยู่กับลงอยู่กับองค์ภาวนาไปครับแล้วพระอาจารย์ครับเ อ, อย่างก่อนนอนนะครับเหมือนอ่เราก็บคือสมมติถ้ า, าสุดท้ายเราจะนอนเราก็ยังกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้ากับ อ, ออกจนหลับเราหลับไปเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์มันก็จะได้หลับเร็วขึ้นถ้าเราไม่กำหนดเดี๋ยวมันคิดเร่งนั้นเรื่องนี้บางทีก็ฟุ้งซ่านนอนไม่หลับ ก, ก็ได้ ครับเหมือนผมช่วงนี้ก็คือแม่แม่จะดึกขนาดไหนแต่เช้ามาก็สึกตื่นไหวอยู่ครับเหมือนมันก็ตื่นมาแล้วมันก็สดชื่นได้ครับราอาจารย์ก็ดีครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะเช้าจะพยายามแล้วเออจะตั้งใจจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะขึ้นมาปฏิบัติต่อด้วยครับอาจารย์ได้ครับปฏิบัติมากเท่าไรได้ยังดีนะทุกเวลาทีมีคุณค่ามีประโยชน์อาจารย์ <c oughs> ไม่มีคําถามแล้วครับอาจารย์ <c oughs> ที่คุณปุญญาณุตตคุณปุญญาณุตตอธมวันนุกเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะตอ <Okay. S 2> นนี้พยายามหมั่นเจริญสติแล้วก็ศึกษาเรื่องของขันของขห้าของพระอาจารย์ซ้ําๆพระอาจารย์คะในตัวการจะที่เราจะสอนใจเรื่องสัญญาค่ะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่เวลาอาการต่างๆที่มันมากระทบเราแล้วเนี่ยเราก็จะไปรักไปชังก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยค่ะพระอาจารย์ เราจะเราสามารถดึงเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นเนี่ยมาทบทวนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงภายหลังได้ไหมคะได้เวลาไหนก็ได้แต่ถ้ามันได้ตอนที่มันสำเรัจมันก็จะได้ปล่อยวางได้ดกว่ะอ๋อค่ะค่ะแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันก็ทำ า, า, ารบ้ไปก่อนก็ได้ทํำการบ้าไปก่อนก็ได้ค่ะต่อไปเวลาไปสาร์ถ่ายก็จบอกมันไม่เที่ยงมันควบคุมรูปภาพมันไม่ได้เป็นอนัตตาค่ะป่อนไ ใครก็ด่าเรามันก็ไม่เที่ยงด่าแล้วมันก็ผ่านนะไม่จบนะอ๋อค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะก็พวกคุณบังค้าบห้ามเขาไม่ได้อ๋อค่ะแต่พอเขาด่าพู๊บันก็มันก็ผ่านไปแล้วไปก่อนเร็วแล้วจะตายไปเราเอามาเอามาเผาใจของเราเองนะมันนั่งคิดมาจดมาจําบรรดาคุณอย่างงั้นคุณนี้ค่ะอาจารย์เราก็จะเคยขวนว่าด่าเราทําไมว่าตําหนิเราทําไมแต่แล้วที่มันผัดมันด่าันถายไมต้องนานแล้ว ค่ะางทีก็ด่าตอนเช้าเราตอนเย็นยังมานั่งปวดหัวหน่กากดค่ะพระอาจารย์ค่ะให้มีสติค่ะถ้ามีสติมันรู้เฉยปั๊บรู้อะไรเกิดขึ้นปั๊บจับผ่านไปปั๊บทันทีโอเคเนี่ยเสียงที่เราพูดเขา้าหูคปั๊บเนี่ยมันผ่านไปแล้วหมดไปแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะดูไม่ที่ยังไม่มีแลงเทียมมันมาปุ๊บมัผ่านไล้เราไปเอาทําให้มันเทียมด้วยกันเรียนสมาคิดมาซ้ํำดีมัน ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกขอบพระคุณมากนะคะพระอาจารย์ในตัวตะมันทํากันบ้านค่ะถ้าฝึกสติแล้วต่อไปมันจะเห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะจิตไม่ติตามมันจิตช่วยเฉยค่ะได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์ที่เรื่องของว่าการทํางานทางโลกอ่ะมันเป็นการทําที่คว้าน้ําเหลวมันทําให้ลูกวางจิตเรื่องอความตั้งใจทํางานทางโลกเนี่ยได้มากเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนพระอาจารย์บอกว่า แค่ชั่วคราเพราะงานลูกก็เป็นงานดูแลคนไข้ลูกทํางานในห้องผ่าตัดนะคะพระอาจารย์ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าบางคนผ่าไม่ได้หมอก็สู้ไม่ไหวก็ต้องยอมยอมหยุดแค่นั้นบางคนลุยได้ก็ลุยกันไปอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์บอกว่าความน้ําเลืลูกก็จะได้วางใจให้มันเป็นธรรมชาติที่ว่ามันไม่ได้สําเร็จซะทุกไลน์ค่ะใหันอยู่ในเกี่เพราะเหตุผลเนี่ยเป็นไปไดไป้อะไรเป็นไปได้ก็ทําไปอะไรเป็นไปไม่ได้ก็ คือว่าเป็นเหตุสุดท้ายไปค่ะในค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูจะได้ในที่สุดก็ต้องตายกันหมดจะรักษากันกี่คนจะหายกดนกี่ครั้งเดียวมันต้องตายอยู่ดีค่ะสุดท้ายไม่้ไม่ได้พาแล้วพายลายอยู่นั่นแล้วเหลือในสุดก็ตายค่ะค่ะพระอาจารย์อ่ะลวกจำมันทุกตัวเรื่องนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ คุณนรพัฒจากอุบลกาวนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกมีคําถามเจ้าค่ะจากที่ฟังเ อ, อถ่ายทอดสดหน้ากุฏิวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้อธิบายขันห้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เ อ, อขันห้าส่วนที่เป็นนามนามที่เป็นสี่อย่างอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันอยู่มันอยู่กับจิตใช่ไหมเจ้าค่ะใช่าชามันเป็นตัวทำงานให้จิตไง มันเป็นตัวทํำให้จิตแล้วท่านท่านที่บรรลุถึงอรหันต์แล้วท่านจะไม่ยึดขันห้าสี่อันนี้ใช่ไหมคะท่านก็เลยไม่ท่านก็ยังใช้มันอยู่เพราะญาไปใช้ขันนี้มาแสดงธรรมมาใช้ความคิดปรุงแต่งอแต่แต่ท่านไม่ยึดมันเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นไต่ลักใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ก็ก็รู้มันมันเป็นไต่ลักแต่ใช้มันได้ก็ใช้มันไปใช้ประโยชน์ได้ก็มาใช้มัน แต่เมื่ออาศัยมันมาเป็นเครื่องมือแบบที่พวกคนมีกิเรสใช้กันเอามาใช้เพื่อหาหารูปเสียงกิน่นรสประเสริมนี้ถ้าไม่ใช่อะไรกันเจ้าค่ะส่วนของกายก็คือถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดกายแล้วก็ไม่จะมาเกิดมีกายอีกก็คือขันธ์ห้าส่วนที่เป็นเป็นรูปก็จะไม่ไม่กลับมาเกิดที่มีร่างกายอีกอย่างนี้ใช่ม<อ>จ๊ะอยู่ที่ว่าเราตัดความอยากในรูปเสียงกิ่นรสได้หรือเปล่าอืม ไม่ได้อยู่ที่ยึดไม่ยึดด้วยขนาดพระสโสดาบันไม่ยึดร่างกายแล้วก็ยังต้องกลับมาเขินอ่เพราะยังมีความอยากในรูปเสียงกินวะอ๋ออยู่ที่ความอยากโอเคถ้าละความอยากในรูปเสียงกินวะได้หมดแค่แม่มีความจะเป็นจะต้องมีร่างกายมันต้องใช้ร่างกายเหมือนคุณถ้าไม่มีความจะเป็นจะต้องติดต่อใครก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะถ้าไม่อยากจะมีโทรศัพท์ก็อย่าไปติดต่อใคร แล้วบางก็ไม่รู้จะมีโทรศัพ์ไม่ทำอะไรอืมค่ะเจ้าหรือถ้าไม่เดินทางไปไหนแล้วถ้าอยู่แบบที่ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีรถยนต์เจ้าค่ะขอบคุณนีเน้เป็นเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยากของใจถ้าอย่างอยากดูรูปอยู่ก็ต้องมีตามีตาก็ต้องมีร่างกาย นั้นาการมัตตานาเนี่ยการบางอย่างในสามอันการมัตตานาคือความอยากในรูปเสียงกิน่นรดเนี่ยได้ก็ตัดได้ก็ไปถึงขั้นพระอนาค า, ามีแล้วว่ามตตานาไม่ว่าัตหาในระดับในระดับสัมยวนี้มันหมายถึงความอยากในรูปประชาระรูปประชาอ๋ออันนั้นก็ในส่วนที่เป็นพระอนา ค, คามีไปเป็นพระลาหา์นอ่าอันนั้นใช่แล้ว สัญญาสองตัรมาอ่าาวะอาลประลาตะการประลาตก็คือภาะตรหนักไม่รู้ตรนัอ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนก็คือวันนี้ลูกได้ได้รับการติดต่อจากน้องท่านหนึ่งที่พึ่งสนใจการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วลูกก็แนะนำให้เขาเข้ามาฟัง ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์คืนนี้ลูกก็เลยขอโอกาสถขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่เนื่องจากว่าเขามีความเครียดจากการทํางานนะเจ้าค่ะผู้เริ่มต้นใหม่ควรปฏิบัติเริ่มจากตรงไหนแล้วก็ทําจิตยังไงเกี่ยวกับความเครียดในการทํางานเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋ออันนี้เราต้องขอผ่านก่อนให้เขามาถามเองดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณที่มาถามให้เขาอพร อ, อย่ า, จ, าจะถามว่าเข้ามาถามเองนะห้างนี้ไม่ถามแทนกันนะ เจ้าข้าพเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าข้าพเจ้ใครมีคําถามอยากจะถามาก็เข้ามาถามเล้เดี๋ยวคนอื่นถามแทนก็นไม่รู้ต้องการจะถามต้องการจะรู้อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่รู้อีกเนี่ยตอไปเสียเวลาไปที่เจ้าแม่กับแจ๊ดที่ต่อบน้าแม่รียค่ะทักทายพรอาจารย์ครับ วันนี้ไม่มีคำถามครับไม่มีอ้วหัวน่ลยค่ก็ปฏิบัติตามหลักการนะคะทานสีมภาวนาค่ะแล้วก็จะมี visible man ได้ไได้ค่ะเห็ visible man ไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายไม่ใช่เห็น visible man ค่ะ เห็นวิสุะมันทุ่สั่งให้ร่างกายพูดเข้าใจัะเห็นวิสุบะแมนคิดก่อนคิดว่าจะพูดอะไรดีจะถามอะไรดีคิดเสร็จก็สั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายถามเห็นวิสุบะแรนนี้ไม่มีใครทำร้ายได้ไม่มีใครบูลลี่ได้เขาบูลลี่ได้แค่ร่างกาย มิมไม่ต้องไปโกรธเวลาถูกกัม บ, บูรี่ทางร่างกายอาจารย์นะเหมือนพระอาจารย์รู้เลยครับจตีเพิ่งโดนมาเนี่ย <Yeah. S 2> ที่โรงเรียนธรรมดาสมัยนี้ก็ชอบทุกทุกสมัยน่ะมันก็ชอบคนตัวใหญ่กว่าอชอบร่างกายคนตัวเล็กกว่าธรรมดางั mm. เราก็ต้องรู้ว่าเขาเขาทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราพูดโท้พูดโทรไว้เฉยๆไปต่างกายเราถ้าหลบได้เราก็หลบไปอย่าไปยู่ใกล้เขาเราจะพูดเขาจะทำอะไรก็ไม่ไทำกับอินวิสโซแมนอินวิชั่นประมาไม่ต้องไปนอนนะเฉยๆไว้เข้าใจนะเข้าใจครับ ก็ตอนนี้ก่อนนะมนมีอะไรใช่ไหมค่ะค่ะด้ครับจามขอบคุณพรอาจารย์ครับอาจารย์ผลวิไลเชิญขอทานองจาบนวัสการพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมค่ะวันนี้กลับมาแล้วเหยอห้นเราไปตามวันนี้ มีคำถามจากคนข้างๆค่ะอไม่อยากไม่อยากถามเพราะว่าฟังแล้วเขาก็หัวร้อนใหญ่เลยว่าติ๊ t ต k อกนะคะเมื่อวันนี้ที่ที่เทศติ๊ t ต k อกกับฝักเรียบกับข้าวควายกันนั้นขนลุกขนวุก คนตลาดนี่เหมือนเขาควายตัวนึงมันแค่สองวันใช่แต่คนโง่นี่มีมีมีเป็นร้อยคนคนคนควายนตัวนึงมีคนไม่เท่าไหร่แตคนเวลามีของเป็นสาระประโยชน์นี่ดูกันแค่คนสองคนแต่ของที่ไม่มีสาระประโยชน์ก็ดูกันเป็นล้านไม่ดูยเงินดูแล้วแชร์กันแชร์กันก็แชร์กันใหญ่ <idée> <ifi> แต่ไหว่าผู้พูกขนควายช่วยกันแชร์นะ่ยแบบจะต้องขอขออนุญาตเอาอันประเด็นเนี้ยนะคะเอาไปเผยแพร่ต่อเพราะว่ารู้สึกว่าเออคงจะมีความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะคะระหว่างผนขนวัวกับพระอัวก็ในในคุณสมบัติของพระธรรม ก็ทำมาโขลก็บอกวิญญาณชนอเป็นทรรสําหรับสําหรับวิญญาณชนคือคนคนฉลาดคนไม่ฉลาดไม่สามารถเข้าถึงธรรมของเจ้เาได้อเลย้วเร า, พ ว, เราพวกเราจะภูคนจะภูมิใจว่าเราเป็นเขาควายกันก <c oughs> ็มาถามกันอยู่ว่าเราเป็นเขาควายหรือเปล่าแล้วแต่เราไปดูติดต่อกันหรือเปล่า ดูแลก็แชร์ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยแชร์ไัโมกันประเด็นนี้เป็นเออมันลึกซึ้งดีนะฮะลึกซึ้งทำให้ผู้คนได้ชอบใจใ่คนในโลกไม่รู้อกต้อคิดว่าเป็นเรื่องียิ่งยออยิ่งสูงยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดี ก็เป็นก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้ก็เป็นการพูดเปรียบเทียบแล้วสั่งจะเป็นเปรียบเทียบที่ที่ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะทำไมคนหนึงดูธรรมมากกันน้อยก็มันต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาฟังฟังเพื่อจะเข้าใจถ้าไม่มีสติปัญญามไม่เข้าใจมันเหมือนเหมือนเหมือนเรียนที่สิบเลยเรียนพวกเนี้ยวิชาสูงสุด คณิสาวิทย์เนี่ยเด็กต้องไปเรียนวิเศษกันเพื่อจะเข้าใจพรามันเข้าใจยากบานีอ่อยากเข้าใจได้คนที่สอบเป็นหมอสอบวิศวะ ม, มีน้อยกว่าพวกที่วิชาอาื่นใช่ไหมปะกะหงกติเฝ้าแต่แต่แพทย์กับวิศวะอย่าพวก พวกขวนวัวขนควายก็เอาวิชานุ่นสังคมเนี่ยประวัติศาสตร์วิชาที่ใช้ความจำประวัติศาสตร์จำได้ว่าปีนั้นเกิดสงคารามที่ไหนมีใครทำสงคารามกับใครไม่ต้องใช้ปัญญาใช้ความจำจริงเหรอฮะก็จริงๆชอบศาสตร์นั้นเลยนะคะ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์้สึะนั้นทำให้เราเข้าใจทำนั้นต้องใช้ตรรกะนี่ใช้ไม่ค่อยเป็นต้องใช้ตรรกะเห็นเป็นอย่างนี้ผลอย่างนี้ถึงตามมาผลไม่เป็นเห็นผลไม่เป็นอย่างนี้เพราะเห็นไม่ได้เป็นอย่างนี้อะไรใช้ใช้เห็นผลนั้นคนที่เข้าถึงธรรมะได้สำสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมอเนะ่ยหมอนี่เข้ามาติดตามมันเยอะเหมือนกัน นะครับมอวิศวะนักวิทยาศาสตร์คนที่คิดด้วยตรรกะเจะเข้าใจหลักปริยาศาสัสตร์สีง่ายๆปริยาศัสตร์สีก็หลักคุณตรรกนมีเหตุแล้วก็มีผลเหตุของของความทุกข์ก็คือกิเลสพอมีกิเลสผลก็คือความทุกข์ก็เกิดขึ้นมา เรื่องของธรรมะเป็นอย่างนี้ต้องมีสติมีสมาธิจิตต้องค้อแท้ที่จะวางจากเรื่องราวต่างๆอย่าคิดได้ทะลุปุกทุกหลงถ้าคิดไปแล้วคิดมีเรื่องนู้นเรื่องนี้นเข้ามาด้วยเนี่ยบางทีที่เราไม่รู้เรื่องจิตต้องมีสติมีสมาธิมากในการศึกษาธรรมนะ ไม่เหมือนดูกระตนดูคนต้องเอง่นเป็นแรงเต็นการเว่ามันไม่ต้องใช้สติเลยไม่ต้องใช้สมาธิมีอะไรไหมอาจารย์ไม่ไม่มีค่ะก็มีประเด็นนี้แหละคะ่ะที่แบบเป็นประเด็นที่ต้องส่งต่ออะค่ะก็ะะไม่ได้ว่าใครพูดตามหลับตามเป็นจริงนะเนยใช่หใ ห, ให้ให้เข้าใจจะ ว่าทำไมอในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นประเทศเป็นคนชาวพุทเนี่ยแต่มีผู้ที่เป็นกันจริงๆไม่กี่คนวันที่เข้าการปฏิบัติธรรมมีสักกี่คนมีน้อยมากโอเคนะยัประเทศไหบต่อไป่ขอบพระคุณค่ะทุกค่ะทุกคุนยอมญิงจากกทม กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะพระอาจารย์คะยมขอถามนิดนึงคะ่ะว่าการที่คนเราจะมีจิตรว ม, มค่ะมันต้องผ่านสภาวะใช่ไหมคะคือยมยมยมยมจะไปไม่ถึงจิตรวมสักเทียค่ะสมัมนัโยมมาต้องเจอสภาวะก่อนอย่างที่ผ่านมายมก็จะเจอสภาวะในการที่ว่าเอ่ยยม ดูลมหายใจอยู่แล้วยมก็มีความสึกว่ายมรับรู้ถึงว่าเหงื่อที่มันไหลออกมาจากหัวแต่ละเม็ดแต่ละหยดยมรับรู้หมดเลยยมก็ดูสภาวะไปค่ะพระอาจารย์ยมก็ดูไปเรื่อยๆพอยอมดูไปยมก็กลับมาดูรู้รู้ที่ลมหายใจต่อแล้วพอยมรู้ที่ลมหายใจยมก็มียมก็เห็นสภาวะของลมหายใจค่ะพระอาจารย์มันมันหอบแรงยมก็ดูความหอบ ของลมไปอะค่ะแบบมันหอบแรงมากแบบหอบมันเป็นลมหายใจที่มันหอบเหมือนคนเหนื่อยเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็ดูไปเรื่อยๆโยมก็ดูๆๆ ด, ดูดูลมเข้าออกที่ตามสภาวะที่เขาเป็นไปอะคะ่ะแล้วพอโยมดูไปสักพักตึงมันก็สภาวะเปลี่ยนอยค่ะพระอาจารย์จากจากลมที่เราหอบเหมือนคนที่แบบหายใจเข้าหายใจออกมันมันแรงมากมันมันหอบแรงมากมันก็ค่อยเบาเบานิ่งพอนิ่งเสร็จสภาวะเกิดอีกคือเวทนาเกิดพระอาจารย์ก็ เกิดเวทนาของของของเอ่อเขาอะค่ะพระอาจารย์มันจะเจ็บปวดปวดแทบแตกเป็นเสียงเสยงโยมก็ดูโยมโยมก็รู้ลมหายใจต่อแล้วโยมก็ก็รับรู้ถึงสภาวะของของของความที่มันปวดด้วยค่ะพระอาจารย์จนสุดท้ายอะเอ่อความปวดมันมันทำให้เราลืมตาขึ้นมาเองพระอาจารย์พอเราลืมตาขึ้นมาเองโยมโยมก็เลยอ่ะโอเคงั้นโยมก็เลยเปลี่ยนจากการนั่งสามาธิแล้วโยมก็เดินจงกรมพอเดินจงกรมโยมก็มีความสึกว่า เออขาข้างที่เราปวดในสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์ตอนเราเดินจงกรมอยู่แล้วรู้สึกว่าขาข้างนั้นมันเบามากพระอาจารย์ความมันมันมันจะสบายกับกับกับข้างที่เราปกติด้วยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยสงสัยว่าทําไมโยมทําสมาธิโยมจะมีมีสภาวะให้โยมเห็นตลอดนะคะพระอาจารย์โยมไม่ใช่แบบหน้าปุ๊บแล้วจิตรวมเลยค่ะพระอาจารย์โยมปฏบิบัติถูกใช่ไหมคะโยมก็ต้องดูสภาวะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่ถูกแบบนะักติเรามนไม่เกาะติดกับวงไม่ได้ถูกสภาวะหนึ่งไป ถูกเหตุการรอบข้างดึงไปนั่งให้ต้องการงงจิตให้ให้เกาะติดอยู่กับลงเพลอย่างเดียวไม่สนใจกับสภาวะต่างๆ ท, ง ท, งที่เกิดขึ้นโยมก็รู้รู้ลมพระอาจารย์รู้ลมด้วยแต่มันมันไปรู้มันไปรู้เองค่ะพระอาจารย์งั้นโยมต้องกลับมาพยายามดึงกลับมาให้รู้ลมแต่เรารู้ลมที่เราหายใจที่มันแรงอ่ะพระอาจารย์ที่มันมันแรงหอบกระเพื่อมหอบแล้วแล้วก็รู้ว่าค่ะแล้วก็ดูมันแล้วก็รู้รู้ลมอย่างเดียวเท่านั้นเองโอ้ รู้เท็จนั้นเดียวรู้เท่านเดียวเราไม่ต้องไปคิดอะไรมันไม่ต้องปไปสนใจอะไรให้รู้แฉแฉรู้หยุดตกลงอย่างเดียวหรือว่าเราต้องเราต้องบริกรรมพูดโทสมทบไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนี่เขาบอกเนให้รู้ลงอย่างเดียวถ้าใช้ลงก็ลงอย่างเดียวถ้าพูดโวก็พูดโทอย่างเดียวเโอเคค่ะ okay. ยมยมวนอยู่อย่างเงี้ยพระอาจารย์ยมก็สงสัยว่าที่พระอาจารย์บอกจิตรวมจิตรวมยมไม่เคยรวมยมจะเป็นเน็คก็มันไม่ตั้งมั่นไม่ยอมตั้งมั่นอยู่กับเรื่องเดียวสเปซสปาไปเรื่องนั้นกลับมาเรื่องนี้เหมือนคนเบางคนไม่มีสติมันไปเองหรือว่าคือใจเราไม่มันไม่มีสตินั่นหแหละ ม, ม, ม, มันไม่มีสติมันก็ไปถ้ามีสติอยู่บารมันก็ไม่ไปโอเคค่ะนั้นลรายมแล้วดีค่ะ เดาวน์วนอยู่อย่างเงี้ยพระจารมันจะวนก็เราปล่อยให้มันวนนไมวนต้องไม่ให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดอห้มันหเท่ให้มันอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วตอนที่เราอยู่ตลมที่มันลมมันแรงมากก็จะมันแรงค่อยไม่ใช่เรื่ของเราให้รู้เฉยๆไปอ่ะเราก็รู้แล้วก็รู้เราดูมันปล่อยมันก็จะเบานิ่งไปเองแล้วมันก็มาเบามันจะเบาจะแรงจะนิ่งอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งมันแน่นให้รู้เฉยๆไปอ๋อ เวทนาก็แล้วก็แล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็ไม่ต้นใจทานดูลมนอลมอย่างเดียวคุณไม่เข้าใจแล้วว่าลมอย่างเดียวเข้าใจเข้าใจค่ะนไม่ต้องสนใจทั้งหมดโอเคค่ะค่ะยมจะปฏิบัติใหม่ค่ะพระอาจารย์ตั้งใจใหม่ครับเพียนต่อค่ะลมอย่างเดียวลมอย่างเดียวค่ะได้ค่ะปฏิบัติค่ะเพียนต่อค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ คุณอ้อมจากบอเวนชมทะเลนมาสการค่ะไม่มีคำถามค่ะหนูทำงานเรื่องแบบได้วะหนูเป็นหน้าบ้านทำค่ะอาจารย์ทำด้วยนะทำสองคนค่ะค่ะทำทั้งสองคนค่ะทำที่เดียวกันนี้ใช่ค่ะจองที่พักของเดือนนี้แล้วค่ะค่ะจองไปปลายเดือนค่ะช่วงวันหยุดไปบ่อยๆนะค่ะค่ะยิ่งไปนัดมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะ น, น้าโมวันนี้มาฟังธรรมถึงบ้านเลยกลับถึงบ้านแล้วหรือน้าโมประสาทอาจารย์กลับถึงบ้านแล้วครั บ, ราาร บ, บ ว, วันนี้ก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ไปฟังธรรมครับแล้วก็วันนี้ไม่มีคําถามจับอาจารย์มาร่วมมาฟังธรรมค่ะอวันนี้ฟังฟังมาฟังที่ที่ที่ว่าเป็นยังไงบ้า ง, รรงมีบรรยากาศเป็นังไดีไหมบรรยากาศเหมือนฟังทีบ<ร>่บ้านไหม ไม่เหมือนครับพระอาจารย์มีความรู้สึกอว่าพอไปที่วัดแล้วอ่ะค่ะพระอาจารย์มันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันสบายกว่าครับเพราะว่าไม่มีสิ่งรบกวนครับพระอาจารย์มีมีแต่พระอาจารย์ที่นั่งเทศอยู่ตรงหน้าครับพระอาจารย์จะไม่เหมือนมีนมไม้มีนมไมนมเย็นสบายนะนงเย็นสบายครับพระอาจารย์ดีก็มีว่าเวลาว่างก็มาเรื่อยๆก็ได้ ครับอาจารย์นี่เรจะไปด่วนเมื่อไหร่นะด่วนวันที่อะไรอผมไปปฏิบัติอที่วัดก่อนครับที่วัดนู้นก่อนวันที่สิบเอ็ดถึงน่าจะวันที่สิบสามครับอาจารย์แล้วก็อวันที่สิบห้ายาวไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดจะปวดเนนต่อเลยครับอาจารย์เป็นโครงการไหของใครหรือเปล่าอ๋อเป็นโครงการของวัดที่ฉะเชิญเซาครับพอดีว่า ตารางมันเป็นของอนักเรียนยินเตอร์ครับแล้วมันจะตรงกับของผมก็เลยไปฉันวัดปฏิบัติด้ป่ะเป็นวัดปฏิบัติววววครับพระอาจารย์ใช่รู้จักพระอาจารย์ไม่ใช่อะไรอาจารย์ชื่ อ, อรพระอาจารย์สุรศรรักดิ์อาจารย์มรงค์ค่อาจารย์สุรศรรักดิ์อาจารย์สุรศักดิ์นะใช่ค่ะมีบทการกียติคุณรู้ไหมบทการไม่เยอะนะคะพระอาจารย์เดี๋ยว ผมลองเช็คสักครู่หนึ่งครับมีรึเปล่าเปนักเรียนอินเตอร์ได้กันทนะั้งหมดเลยเออใช่ครับอ๋อเขารับอ๋อปวดหกสิบคนครับอาจารย์โรงเรียนอินเตอร์แต่ไม่ใช่โรงเรียนเดียวใช่ไหมหลายโรงเรียนมันจะมันจะเป็นเวลาตรงกับของเด็กอินเตอร์ครับอาจารย์<อ>ว่าพอลาสิกขาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนมีเวลาให้รอก่อนแล้วเปิดเทอมเลยครับอาจารย์ไม่งั้นถ้าไปบวชของ ปกติที่วัดทั่วไปอะครับพระอาจารย์มันจะค่อนข้างเวลาไม่ตรงกันครับแล้วมัเขาบวชช่วงเมษาถ้าถ้าเราเราระบบไยนก็จาถ้าเ<ค>ราดูรอยเขาเรียกบวชทำมาในชาวงฤดูร้อนใช่ครับช่วงนั้นผมจะยังไม่ติดเทอมครับถ้าช่วงนี้งั้นถารู้ว่าคนที่มาบวดนี่มาจากโองค์ยมษาถ้าส่วนใหญ่ใช่มั่หม ส่วนใหญ่ครับอาจารย์ก็จะมาจากของเด่นอินเตอร์ที่เวลาจะตรงกันครับโอเคในครั้งแรกที่จะบวชใ ไ, ไหมครั้งแรกครับอาจารย์ย<ม>ังลุ้นอยู่เลยครับเพราะยังจำคำขอบันประชาไม่ได้น้องใครเป็นคนบนอกให้บวชเพรพราแม่บวช้วแม่บอกให้บวชพอดีว่าเอ่อวันนั้นไปที่วัดนะครับแล้ว เจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ท่านอวิวท่านก็ชวนขึ้นมาครับแล้วก็เราก็นึกว่าแม่คงไม่ให้หรอกปรากฏว่าแม่ไปบอกท่านว่าได้ค่ะผมก็เลยแม่ไปรับปากไว้แล้วแล้วก็ทางบ้านอยากอยากให้บวชครับก็เลยไปดีกว่าเพราะตัวผมเองก็อยากไปศึกษาด้วยเราก็ไม่รู้สึกค่ะเผยน้นบบาบังที่ถูกบงังคับให้บวชเพราะ อ๋อผมผมยากกลัวอยู่แล้วครับผมยินดีเลยครับทรายจ้าโอเคดี้นอนทงทำอะไรมันต้องยินดีน้อ ง, งแ ท, นนทงทำชนะรถทั้งปวดความยินดีในทำชนะความยินดีทั้งปวดถ้าปวดเรื่องไม่ความยินดีมันจะไม่ค่อยได้ได้ประโยชน์เพราะมันมันเหมือ น, น, นกันบถูกบังครับเฟื่อยมันจะไม่ไม่ทุนมเทไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความสน ใ, ใจ รอแต่นับวันมันบวชแล้วนะกี่วันนะกี่วันครับอาจารย์ทางวัดเขาก็มีเหมือนกฎระเบียบมาด้วยครับว่าต้องเป็นคนที่จะบวชนะครับต้องเต็มใจมาไม่ใช่ว่าถูกบังคับมาครับอาจารย์มีกฎจะได้สัมผัสว่าจะได้ปฏิบัติอันนี้มาเพียงแต่ปริยัตที่คําว่าฟังนี่เป็นเหมือนปริยะหรือคันธะทุระที่ได้แสดงในวันนี้ เดี๋ยวไปบวกก็ไปเป็นวิปัสสนาเถ้าไม่ว่าสินแปดเ่็นไงสินสิบเป็นไงเป็นจำมณนี่ต้องถือสินสิบนะครับได้คเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูก่อนค่ะโอเคทำใี้พยายามท่อกัหได้นะไม่ยากถ้าถ้าตั้งใจเท่อมันกระดาษแผ่นเดียวได้ไม่ใช่มันกระดาษแผ่นเดียวครับอาจารย์อยนะครับอาจารย์ สาธุอนโมทนา้ไหมครับคุณยินดีอ่าเมันอกี้ถึงยินดีมาเลยยังไงานนี้ถึงพระอยู่ฝรั่งเศสแล้วหมค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะอยู่สองเดือนอยู่สองเดือนสองเดือนครึ่งน่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะหนูก็เจอเพื่อนรนรอนนี้รอมากมืกี้ฝรั่งเศส ร้อนคะ่ะถ้าอาจารย์พอดีมาอยู่กับอ่ามาอยู่บ้านแม่บ้านแม่เดวิดอะค่ะก็มาอยู่กับแม่เขาอะคะ่ะถ้าอาจารย์แล้วทางนี้คือมันอยู่ทางใต้ลมทางนี้จะมีลมคะ่ะถ้าอาจารย์มีลม ถ, ถึงถึงชายทะเลไหมถึงฝั่งแมนดูเทอเนียนไหยังไม่ถึงคะ่ะขับอีกประมาณสองชั่วโมงก็จะถึงแลออ้วค่ะโอเคค่ะแถวเดีาารยร์องแค่นั้น ท่อยอยู่อยู่ห่างจากลียงประมาณหนึ่งชั่วโมงอะค่ะถ้าจารย์ค่ะขับรถหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เดวิดก็ไปทำงานอยู่ที่บูกประมาณห้าชั่วโมงครึ่งอะค่ะขับรถไปค่ะแต่เขาอยู่ที่นู่นเลยแล้วหนูก็อยู่กับทางแม่แม่แล้วก็พี่สาวหนึ่งคนค่ะค่ะก็ก็ปฏิบัติคือ มันมันไม่นิ่งอะค่ะท่านอาจารย์คือเวลาเรานั่งสมาธิมันจะมันมก็ต้องตาไม่เหมือนตอนที่เราอยู่บ้านคนเดีย ว, ยวใช่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะมันว่าแบบว่าเรา็ามารสัมพันธไมตรมีต่อกันนะเนี่ยค่ะท่านอาจารย์แล้วเมื่อสักครู่หนูก็ดูในกาผิดหนูก็รีบหนูก็รีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบร มันยังไม่ถึงนะคะมันใภูไทนะคะก็ขอโทษคุณบอยด้วยนะคะก็แบบหนูก็เข้ามารีบเข้ามาถือรีบใหญ่เลยนะคะ่ะก็แบบว่ามันไม่ถึงหนูก็เลยรีบออกไปรีบไปล้างชาบแบบเสร็จ แ, แบบแล้วก็แบบอุ้ยเราก็รีบคือลิ่งนีแบบคือก็อลนๆนะคะท่านอาจารย์ก็ควจะตอ น, นียในบ่ายสามใช่ไหมหนูตอนนั้นที่ที่ที่อยู่ในบ่ายสามใช่ไถ้าบ่ายสามค่ะคือสองทุ่มค่ะแต่หนูก็เข้าใจว่าบ่ายสองหนูก็พยายามรีบ รีบๆป่บค่ะแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาคือก็ก็ตามตามตามแม่ค่ะด้วยความที่เข้าใจว่าตัวเองสายครึ่งชั่วโมงอะค่ะ mm hmm. ก็ก็รีบมาเปิดเลยค่ะรรีบเปิดแต่ก็อ้าวมันยังไม่ถึงก็ก็ดีใจก็เลยปิดแล้วออกไปก่อนก็เลยท่าอาจารย์แต่แต่ก็ปฏิบัติคะ่ะนูหนูหนูไม่ได้ทิ้งค่ะปฏิบัติ mm hmm. ทุกวันค่ะ mm hmm. ค่ะท่านอาจารย์แต่มันจะไม่นิ่งมันมันไม่นิ่งเหมือนตอนที่เราอยู่นั่งนั่ง เราอยู่บ้านคนเดียวมันมันไม่นิ่งแบบนั้นนะคะท่านอาจารย์แต่ก็ก็ก็นั่งไปัาาเหมือนจะจคุณค่าของการอยู่คนเดียวใช่เป็ม น, นมากเนี่ยแหลคะค่ะชาถ้าอาจารย์ได้เลยคะ่ะแล้วก็แบบคําพูดของท่านอาจารย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างจะเข้ามาเข้ามาแล้วเดวิดฟอยังแย่หนูเลยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นเด็กดีของอาจารย์หรือ ย, อยังเขาบอกเนี้ยเขาจะแย่หนูเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหรือยังเขาบอกเนี้ยเป็นลูกศิษย์ที่ดีหรือยังแบบได้หรือยัง หนูก็ขำเขาอะค่ะค่ะท่านอาจารย์แล้วท่านก็แล้วเดวิสก็ฝากความสวัสดีอะค่ะแล้วก็บอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นลมพรมใส่ให้คนนานๆค่ะท่านอาจารย์คขอบคุณทานความให้การเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์นี่คุณหมอพิเชษต่อเลยหมอพิเชษที่กทําำร้อกลับมาสการท่านอาจารย์ครับเออ่ ได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินชัดแจ้งอหมดในรายกรวันนี้นก็โยมได้น้อมนำคำสั่งสอนของปราอาจารย์ไปปฏิบัติในการฝึกนั่งสมาธินะครับก็ผ่านมานสัปดาห์หนึ่งก็พบว่าเวลาบริกรรมพุทโธและดูลมหมายใจแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่นานนักใจมันก็เริ่มสงบแต่ว่ากว่าที่จะจิตรวมจนเข้าสู่สมาธินี่ล้มลุกคุกขานมากเลยครับอาจารย์ มันจะดูคกำลังสติขราใช้เวลาไม่เหมือนกับก่าจะเข้าบางทีก็เข้าได้แป๊บก็ออกมาบางทีก็เข้าเไม่ได้เลยก็มีเลยครับอาจารย์แต่ก็ไม่ได้เสียกําลังใจก็พยายามทําไปทุกวันแล้วก็อย่างวันนี้ก็ใช้เวลานานกว่าจะเข้าได้พอเข้าไปได้ประมาณสักยี่สิบนาทีก็ออกมาก็รู้สึกว่ามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจครับ แต่ถ้าวันไหนที่เข้าไม่ได้ก็ก็รู้สึกแบบใจก็สงบเฉยๆแต่ก็ไม่ได้แย่มากครับอาจารย์ก็ตั้งใจปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์อย่าประมลาดนะเพราะอย่าไปคิดว่าเราคุมมันได้วันนี้เราคุมมันได้พรุ่งนี้จะคุมมันไม่ได้ครับอาจารย์มันต้องไปเอาการนอนสติอยู่บ่อยๆนะเด็กสั้นที่สุด น้อมนำคำสั่งสอนของพระอาจารย์ปฏิบัติครับที่คุณหมอท่านคุณหมอภาสนาอันนี้เดินทางไปไหนอยู่เนี่ยํำรถเองหรือเปล่าเปิดไมก่อนจ้าค่ะจาสมราการ์ค่ะพระอาจารย์สวัสดีไม่ได้ไปประชุมกลับมาค่ะพระอาจารย์ก็เคลียร์งานให้เสร็จเดี๋ยวจะได้ไปจะได้ไปทุดงต่อก็อ ที่พระอาจารย์บอกเขาที่แล้วอะค่ะที่เรื่องของเรื่องของกายกับใจที่เวลาช่วยรับใช้ผู้อื่นนะคะีค่ะคือวันเนี้ยรู้สึกเลยว่ามันสงบเลยเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าเออมันงานสําคัญของเราคืองานรับใช้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอยรับใช้ตัวเราเองก็คือเราก็ทําตามหน้าที่ของเราโดยที่ไม่เมารมณ์แล้วก็ทํางานมันทําให้ทํางานได้ดีนะพระอาจารย์รุ่งแล้วก็กลับมาดูที่ใจเราเองก็คือทํำทุกอย่างตอนเนี้ยเราพยายามไม่ประมาทแล้วกุมสติพระอาจารย์ก็โอเคเลยค่ะพระอาจารย์ อ่าทำไปนะค่ะพระอาจารย์คะแล้วเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์จะไปที่ําเต่าพระอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมคะก็คือ จ, จะไปแต่ว่าจะไปเพราะว่ามันเป็นวันเข้าวพรรษาใช่ไหมคะก็จะไปอยู่เลยคะ่ะแล้วก็เอาแฟนไปด้วยนะคะไปสองคนเหมือนเดิมยังไงนันเาเพิ<ก>่มเติ ม, มคะก็หมายเรียสติสมาธิปัญญาค่ะอพระอาจารย์คะอารักขาตังบฐานวันนั้นฟังที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะเรา ต้องใช้เราก็ต้องเราก็ยังต้องใช้อราคากรรมฐานนี้คุ้มด้วยใช่ไหมคะทั้งหมดใช้มันในกรณีที่มีมีเหตุที่ต้องใช้มันค่ะกรไมฐานบีสี่มีสี่บางทีถ้าเราจิตเราเสื่อมศรัทธาได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสางขุคุณถ้าเรามีการมาราคเราก็ต้องเจริญสุภาษถ้าเรามี บางอะไรทำไม่ได้โกรธใช้เมตตาใช้เมตตาค่ะแล้วก็ความตายคะถ้าเรามีความคึกนอนค่ะใช้ความตายถ้าเกิดความตายอ่าถ้าไม่มีตรงนี้ปุ๊บกงคือดูที่ใจเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ถ้าเป็นปกติถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่รับใช้ อโอเคมันยังไม่มีปัญหาอะไรขอพระคุณค่ะอาจารย์อาจจะไม่ได้เข้าสองอาทิตย์นะคะพระอาจารย์เดี๋ยวไปจัดการีแล้วเดี๋ยวกลับมาคอาจารย์ขอพคุณค่ะครับที่กราิกสุราธานีกับมาทการครับอาจารย์อ่วันเสาร์อาทิตย์ลองซ้อมครับวันนี้รักษาศีลแปดตามที่ได้ได้คุยกันไว้ครับมันก็มี เรื่องหลายอย่างก็เดี๋ยวนะเออครับก็เมื่อกี้ก็ลองเข้าสมาธิดีดูครับจากที่แบบว่าเคยได้สมาธินิดหน่อยแล้วก็กลับไปดูที่ใจกลับไปอยู่ที่แสงสว่างครับเอ่อรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ <c oughs> ความสุขจากการที่เราได้รักษาศีลีลเราทํำทานแล้วก็ เราใจไปดูสิ่งที่อยู่ภายในข้างในของเราครับแล้วก็ได้ฟังทำไปด้วยครับรู้สึกสว่างก็สงบครับครับส่วนเรื่องความรู้ก็เหมือนเมื่อเช้าก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มันก็เกิดรู้ว่าแบบว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาหน้าร้านสามคนผมก็ลองสังเกตดูมันก็มาจริงแล้วก็มันบอกว่า เออให้ไปทาบุญที่นั่นที่นี่นะเดี๋ยวเขาจะมีที่ทาบุญก็ได้ไปถามเออมันก็รู้สึกว่าจริงคือผมมองว่ายังเป็นประโยชน์อยู่ครับแล้วก็ผมไม่ได้ถึงกับว่าไปงมงายอะไรกับมันผมก็พิจารณาอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงครับก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วกันถ้ามันไม่มีไ ม, ไม่มีอะไรคือบางามั น, มนระนไม่ต้องไปยุ่ เพราะว่าแบบว่าเหมือนเราจะได้แบบพอเสร็จปั๊บพอเสร็จลูกค้าเท่านี้ป๊บแล้วก็ได้มีเวลามาทำงานหรือว่ามาปฏิบัติธรรมต่อนะครับผมถือการปฏิบัติเป็นหลักสติเป็นหลักอย่างอื่มันจะว่าไงก็รับรู้ไว้เฉยๆก็แล้วัครับก็ขอบคุณพระอาจารย์มากผม อ่าอาทิตย์ที่แล้วพระาจารบอกว่าจุรวยจนคือเอาไปไม่ได้ก็คือว่าเราเอาไปได้แต่ศีลสมาธิปัญญาของเราใช่ไหมครับใช่คำพูดของพระอาจารย์บางครั้งฟังนิดนึงเราต้องเอาไปตีความแล้วก็ผมอยากจะเรียนเรื่องวันนี้เรียนเรื่องติกตอกครับผมเอาธรรมะของพระอาจารย์ไปโพสลงติกตอกบ้างครับแต่ก็บางการที่แบบว่าใช้ การคิดพิดจารณาเยอะมันยังคนกดไลค์จะไม่เยอะแต่ว่าบางบางกันก็คนกดไลค์ก็เยอะพอสมควรแต่ว่าเราเน้นการรับรับชมมากกว่าก็คือว่าเหมือนท่านอาจารย์เทศว่าการทำทานนี้ก็มีวิทยาทานอภัยทานมีธรรมทานเนี้ยผมก็พยายามแบบว่าเอาไปลงแล้วก็แต่งใส่เพลงนิดหน่อยครับ อ๋อบางบางบางบางบางอย่างก็คือมีคนกดไลค์ก็เป็นร้อยเหมือนกันคนดูเป็นพันก็มีครับแต่ว่าต้องต้องเป็นการที่สั้นๆมันขัมันมันสมาธิสั้นใจร้อนอย่างมันมันมันต้องคิดว่ากพระอาจารย์นะแบบอะไรที่ละเอียดละเอียดเนี้ยคนเขาจะไม่รับรู้ครับแต่ว่าอะไร <S <S ที่แบบเหมือนว่ะอาจารย์แบบเออการเป็นคนอ่อนน้อมต้องเออเราคนฉลาดแต่ว่าอ่อนน้อมอะไรเงี้ยครับกันนี้จะรู้สึกว่าคนจะกดไลค์เยอะครับพระอาจารย์ด้วยสั้นๆเข้าถึง เข้าใจข้อความได้ง่ายๆรวดเลยไหมครับจริงๆผมก็คเคยก็ทำไปเถอะทําไปนั่นนี้ไหวแผามากก็ถือว่าเป็นเป็นบนอย่างหนึ <c> ่ง <oughs> ครับ ก, ก็พยายามทําผมทํามาก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวก็ทําต่อครับคือเมื่อก่อนผมก็เอ็นได้วิศวรรณาพระอาจาร์แล้วผมไปเรออกแบบ พิจาว่าคอมครับแสดงว่าเราก็เป็นเขาควาเยเหมือนกันนะครับมันมันมีความสุขมันมันเกิดความสุขขึ้นในใจจากการที่เรานั่งพิจารณาแล้วรักษาศีลเลยครับมันแบบว่ามันโกหกตัวเองไม่ได้ครับใช่สัมมาทิเป็นหลักตาักกาัดวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ท่านนักจิตศาสตร์ครับรนนก็กลับขอบพระคุณเดี๋ยวก็ปฏิบัติเรื่อยๆครับโอเคนะไปก่อนนะมีคนรออยู่เยอะ อาจาร ย, จจย์สายทิพย์เชิญอาจารย์สายทิพย์ต่อสารคามสารคามค่ะกับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะรายงานเรื่องของสินแปดค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วรู้สึกและอายใจก็เลยเลือกดูอย่างที่บอกพระอาจารย์ค่ะเลือกดูไอ้วงดนตีสองวงนั้นค่ะเลือกก็ไม่ตายนะไม่ได้ดูก็ไม่ตายนะก็ไม่ไม่ตายค่ะขาดความเพลอดเพลินไปนิดนึงค่ะพระอาจารย์ ก็ก็เลยทําให้จริงแรกดูทันทีเลยค่ะพระอาจารย์ตามที่บอกพระอาจารย์แล้วก็สิบแปดเดิมที่ที่แบบว่าเราก็กังวลใจเรื่องทํางานเยอะนอนดึกแล้วก็จะจะโหยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอตั้งใจก็ก็กินข้าวสองมื้อไม่เกินไม่เกินบ่ายโมงค่ะพระอาจารย์ก็ทําได้แต่วันแรกๆมันกลางคืนมันหิวค่ะพระอาจารย์พอตีสี่ตีห้าก็ คิดในใจเมื่อไรพราทิตย์จะขึ้นสักทีหิวข้าวรอแสงสว่างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอไปลายสัปดาห์วันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็สบายขึ้นไ ม, ไม่มีปัญหาแล้วค่ะพระจาง <c oughs> มัน็นการปรับปรับดิดสายได้เนึ่งม่ใ <c oughs> ไม่ก็โอยแต่ตอ <c oughs> ท่านๆมันก็เข้าที่มันก็เฉยๆค่ะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจจริงๆสื่อแปดในเวลาทางานมัน มันก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรถ้าเราถ้าเราจะทําจริงๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอไปทํางานก็วันไหนที่รู้สึกว่าน่ามันค้คำํำๆเราก็ทาโลชั่นครีมกันแดดไปบ้างแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าค่ะพระอาจารย์เกรงเกรงใจคณะเดี๋ยวเขาว่าเอาว่าอะไรจะโทมจังอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้หนูก็ฝึกสติมากขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์ดูดูกายแล้วก็ถ้าช่วงไหนว่างที่อยู่กับผู้คนไม่ได้ทําอะไรก็ ก็ท่ออิติปิโสบ้างหรือพุโทโธบ้างเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็จะรู้สึกว่าที่เราทํางานเยอะแต่ว่าทำไมตอนนี้เรารู้สึกเวลาเรามีเยอะขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์เหมือนมันมีช่องว่างที่เราจะมาฝึกสติได้ค่ะพระอาจารย์ช่วงที่ไม่ทํางานก็ฝึกสติฟังธรรมค่ะมีช่องว่างเยอะแยะไปค่ ะ, <ๆ S 1> คะกินข้าวเสร็จก็เอ้ยนั่งสมาธิก่อนอะไรเงี้ยค่ะยังมีเวลาก่อนจะไปทํางานมัน มันก็ได้ค่ะพระอาจารย์แล้ก็ครึ่งชั่วโมงก็ดีหรือเท่าไหร่ก็ดีเนี้ยค่ะและ้วค่อยกะเวลาว่าไปให้ทันค่ะแล้วก็ช่วงนี้โชคดีเหมือนจังหวะชีวิตค่ะพระาอาจารย์มิดมิดทั้งหลายเขามีภารกิจค่ะพระอาจารย์มีภารกิจครอบครัวนู่นนี่นั่นทําให้เราแบบเหมือนใช้ชีวิตสนโดดมากขึ้นกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะแบบเขาต้องไปดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีเวลามากขึ้นค่ะพระอาจารย์ ได้ทำสมา ธ, ธิได้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นั่งสมาธิโดนเบี่ยงค่ะพระอาจารย์วันนี้แบบเบี่ยงอย่างแรงแล้วก็เออะไรเงี้ยค่ะก็เลยน่าจะเป็นสภาวะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้พอนั่งสมาธิมันเหมือนมันเหมือนจะจะจะจะลงเร็วนิดนึงค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนเต้ไปติดค่ะพระอาจารย์ดันไปมองตอนเหมือนไปเออกําลังจะลงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ติด ไปติดตรงนี้เองค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ลงเลยไม่ลงทุกครั้งแล้วเอาจะลงแต่ไม่สนใจให้ดูลงต่อไปแล้วพูดโทต่อไปค่ะเผลอพอเผลอแล้วก็เอาแล้วแล้วเด็กป้ามันก็มันก็ไม่ลงเลยมันจะลงอยู่แล้วให้พูดโทต่อไปถ้าใช้พูดโทถ้าใจลงก็ดูลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจมันจะลงหรือไม่ลงค่ะ เดี๋ยวต้องต้องเอาใหม่ค่ะดันแบบเอ้ยอาจจะลงเป็นเป็นบ่อยแล้วแล้วก็อย่าไปอย่าไปคิดเหมือนแบบไปด<บ>ูไหมครับหมอสติแล้วล่ะค่ะสติได้ายไปย้ยไปอีกที่หนึ่งค่ ะ, ะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามไม่ไม่หลงค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนั่งต่อไปค่ะเรื่องอื่นๆก็ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพระอาจารย์ศีนก็พยายามรักษาไม่ไม่ถอยนะ ค่ะจ ะ, จะพยายามทําให้ให้ไดี่แ ต, แต่ถักไปข้างหน้าค่ะถ้าถักไ<ต>้กได้ถักไปไม่ได้ให้มันยืนหยัดอยู่แบบอยู่แบบที่ให้มันถอยหลังอืมค่ะพระอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ห่วงความเจ็บปวดร่างกายเท่าไหร่ค่ะก็ปรับรักษาไปตามแต่เราจะเห็นใจมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เหมือนเห็นความทุกข์เล็กๆค่ะเฮ้ยวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แบบนั้นแล้วเราก็เหมือนใช้ปัญญาว่า มันเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หรอกมันก็เบาค่ะพระอาจารย์จิตมันก็จะสงบนอข้างในมากขึ้นแล้วเมื่อก่อนเรามันกข้างในมอกน้ไยค่ะเหมือนเมือตื่สติแล้วเราจะบองยืงใจให้กับยืงตัวใจให้กับมาดูใจของตัวเองมากกว่าเดิมค่ะเหมือนเราเห็นใจเรามากขึ้นเห็นความทุกทุกทุกทุกไม่น้อยค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เยอะแต่ก็เอ้ยอันนี้เราคาดฝังอันนี้นี่นาเป็นอย่างนี้นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกอะไรเงี้ยค่ะ มันก็ค่อยๆค่อยๆวางค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบได้สงบดีอยู่คนเดียวก็ได้ทําอะไรก็ได้เงี้ยค่ะพระอาจารย์สบายสบายดีมากดีมากครับต่อไปนะอาจารย์ค่ะสาทุค่ะพระอาจารย์จะพยายามต่อไปค่ะอันนี้คุณมาริการะมังแงนะมาริการ์่จอน่งฝไม่ได้น้อยฝันแล้วพูดได้เลยนะให้ไปเลยนอนอยู่ข้างบน ปเแล้วเมื่อกี้ไปปิดวิดีโอเข้าเนี่ยมันก็เภาพหาไปเลยไปเปิวิดีโอใหม่ด้วยนี่นะผมผมกดแล้วาลอมาสิไม่รู้จะพูดได้หรือยังเปิดอย่างนพระจันทร์ก่อเสียงแต่ภาพยังไม่เปิดก่อนผมที่สองที่อยู่ติดกันอ่าโอเคอ่ามาแล้ว อ, อ่มาแล้วทั้งภาพทั้งเสียงพูดได้แล้วเชิญ กลับแล้วมาสแตนเจ้าสาวผ้าจาย์ออยู่ที่ไหน<ม>อยู่ที่ตันตันหอมัดเลยค่ะไม่เห็นผ้าจาย์เลยอย่างเงี้น ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่เราอยู่ไม่เป็นไรหรอกขอให้ได้อยู่เสียงเราก็ใช้ได้พูดไปเลยะตามที่ว่าได้ไ ด, ได้กับเรียนผ้าจาย์วันก่อนในเรื่องของสตินะคะผ้าจารย์ก็ก็ฝึกนะผ้าจารนพอพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมา ฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็เพิ่มการเดินด้วยค่ะพระอาจารยก์ก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการพิจ า, ารณาอะไรแต่นี้เพราะว่า พ, พอจะเริ่มได้นิดหน่อยค่ะพระอาจารยกก์ก็จะพยายามอยู่ค่ะนั้นน่ะจะขอคำแนะนำจากพาะอาจารย์ว่าการใช้ความเพียรขนาดไหนที่เราจะได้บรรลุถึงว่าการมีสติที่ว่า เป็นรวมจิตรวมได้นะจ๊ะเจ้าค่ะก็ต้องทั้งวันทั้งคืนนอกจากตื่นตอนหลับไม่ให้ใจเออไปคิดเรื่องนนเื่งนีให้ควบคุมให้มันอยู่กับเรื่องที่เรากำหนดไว้อย่างเดียวเช่นอยู่กับร่างกายได้อยู่กับพุโทโธอันนี้ต้องไม่ทำงานเพราะถ้าทำงานมันก็ไปมันก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แตถ้าเราไม่ทำงานนี่เราก็จะบัเข้าให้มันอยู่พุโทโธพุโทโธอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว อาอย่างนี้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาร่างกายทำอะไรอย่างนี้เวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมได้ง่า ย, ยดีแล้วค่ะพ่อาจาย์ค่ะพย า, าพยามทำไปพยายามทำไปแต่ว่าก็มันมีอาการของของลูกนั่นก็คือมีอาการก็คือจากต่ว่า ต, ตัวข้นของคุดนั้นก็ยังเก็บหลังอยู่เพราะนั้นก็เลยมาพิจารณาในเรื่องของกระดูกก็ พิจารณาดูเวลาเจ็บนะคะพระอาจารย์ก็ตอนนี้นั่นแหละเพราะว่าการฝึกสติตรงนั้นก็ได้ฝึกมาในในระยะหนึ่งแล้วก็นี้เราลองพิจารณากายดูบ้างซิเพราะว่าดูว่าผมขนเล็บฝันหนังนั้นเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นแบบจับใจไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นเรื่องเป็นรา จับมื้อจับเรื่องนั้นมาแล้วก็จับเรื่องนี้มามันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเป็นลาวมันไม่ค่อยได้ผลครับคนจยเอาเป็นเรื่องๆไปวันนี้เรื่องสติเอาให้มันเอาสติให้มันได้ก่อนให้มันแล้วก็ไ ป, เ, ปเรื่องปัญญาเรื่องอะไร ต, อต่อไปนี้จะดีกว่าจับจับไปหมดเอาไหนลองนี่หน่อยลองนั่นหน่อยได้แต่ได้แต่ชิมอย่างนิด อ, อย่างน้อยไม่ได้อย่างไหนเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นก่อเป็นกรรมทันั้น ก็ไม่มันก็ไม่ก้าวนะถ้าปฏิบัติแบบนี้ค่ะผู้จารศัตรเจ้าค่ะพผู้จารจะคำแนะนาก็แสดงว่าลูกไม่ได้พัฒนาไปไกลจูเวียนอยู่กับผู้แดงแล้วก็เรียนทัน้งซื้อแล้วทั้งกอไก่ข้ไขก่อนไม่ใช่เอากอไข่วันกอไข่วันนี้เดี๋ยวพวกนี้ไปอ่านู่นาน่นนี่มันอ่านให้ไม่ลุ่มเลื่อแล้วค่ะให้มันชํานาญ เป็นขั้นเป็นตอนทีเจ้าสติวางนั่งสมาธิแล้วพักขั้นปัญญาไหมพระอาจารย์ทียเบทสติก็เอาสมาธิก็เอาปัญญาก็เอาได้แต่เส็จเส็จเนื้อเศษเศษสติเส็จสมาธิเสร็จปัญญาเอาเอาเอาเอามันเอามันให้มันเยอะๆอ น, นุสาวรียตัวใดตัวหนึ่งเอาที่จะตัวควาสติก่อน เจ้าขาพระอาจารย์เราคนเรียนต้งแต่ตื่นจะหลับเนี่ยไม่ไม่เผอได้ไหมยท่องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วอยู่กับร่างกายมันทั้งวันเจ้าขาพระอาจารย์ลองทําดูนะมันจะจะ จ, ะ จ, ะจะก้าวหน้าอย่างรวนเร็วถึงว่าถึงปัญญาแล้วถ้าแป๊บเดียวก็ถึงปัญญ า, นะ ถ, ญญาถ้าทำถูกถูกถูกวิธีถ้าทําไม่ถูกวิธีทําไปสิบปีมันก็ยังอยู่ที่เดิม โอเคนะค่ะสาธุครับสาธอาจารย์สาธุอที่เชียงรายต่อเลยคุณเอกอยู่เชียงรายเ น, นี่กับนี่ยครับเนี่กับในสัตชิกนะคนนี้ก็ในสัตชิกเลยนอ้อยดนท้าแล้วเนี่ยท้าผมการนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ถือในสัตชิกครับพอดีนี่ไปวัดได้หนังสือของลุงปู่มาท่านหนึ่งครับทางภาคอีสานครับ ถือนีสันชิกทุกแปดํา้มและสิบห้าขั้มอ่านดูแล้วได้กําลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับพระอาจารย์อครับผมก็สภาวะธรรมของผมอะครับพระอาจารย์ตอนนี้เออ่ผมมาดูลมนะครับพระอาจารย์ดูลมเข้าลมออกเสร็จ แ, แล้วลมมันก็หายไปก็อยู่กับอยู่กับว่ารู้ว่าลมมันหายไปก็อยู่ตรงนั้นนะครับพระอาจารย์อืก็ตรงตร ง, ตรงนะีสภาวะตรงนั้นนะครับพระอาจารย์ ก็พยายามอยู่ให้นานๆใช่ไหมครับอาจารย์เอให้รู้เฉยๆไปเดี๋ยวมันเจ็บมันจะรงมมันก็รวมแล้เองเราไม่อยากไปแก่งอยากไปเรียนครับ อ, อ๋ออยู่มาให้นานจิตมันรวมไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมดูดู ด, <อ>ดูความว่างไปดูความว่างไปใช่ไหมครับครัครับผมครับครับครับอย่าไปคิดอย่าไปคิดห้าเกิดกราทีคขึ้นมาตั้งอึนนั่ครับเอับถ้า ก็ถ้ามันคิดมาก็บางทีดูลมไม่อยู่ก็ผมก็ไปที่พุทโธพุทโธต่อครับอาจริญเพราะถ้าถ้ามันคิดถ้าเราใช้พุทโธอยุดมันให้หยุดให้หยุดมันไว้ให้มันอยู่ให้มันน้องว่างโล่งๆให้มันจับเลยให้มันรู้เฉยๆครับครับครับผมให้รู้เฉยๆแล้วก็มันก็ผมว่าเช็คอยู่นะถ้ามันรู้เฉยๆก็เช็คดูว่าเอ๊มีความสุขไหมอะไรตอนนี้มันก็มันก็สุขดีมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไร มันยังมันยังยังไม่ถึงถึงถึงถึงจุดที่ยังยังไม่ไม่ไม่เต็มที่ไม่กลังโอยังไม่ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมกำลังกําลังเดินทางอยู่ยังไม่ถึงจุดปลายปลายทางโอ้ครับครับก็ก็ยังก็ยังไม่เจอตัวใช่มแต่กรู้แต่ก็ยังก็รู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นครับผมรู้สึกเบาแล้วก็สบายครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวใช่ไหมครับ ยังยังยังยังไม่ยังไม่เต็ที่ยังไม่ยังไม่เต็ที่นะครับยังไม่รูมยังไม่เป็นหนึ่งแต่ว่าเโอค่ะครับตอนนั้นไม่ต้องหมักทับไม่ต้องมันนิ่งมันจะเฉยม็นอเบยดขาขึ้นมโอ้ต้องต้องสติไปอีกนะครับพอาจารย์จะรัสตื่นไปเรื่อยๆครับประคองใจให้ยอยู่เฉยเให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปคิดไปคุ้แต่งอะไรนะ กับผมทำไปสาธุกล้าบุญแดงจากบุรีรัมย์จากเชียงรายไปบุรีรัย์การอำมาตย์การครับอาจารย์อันนี้ไม่มีคาถามค่ะเงีไปต่อเลยนะมีเจนอยู่ที่ไหนที่จีนรโอเคได้แล้วารย์การครับอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีมีอะไรไหม ไม่มีครับขอให้พระอาจารย์ถนอมสุขภาพครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไ ป, ไปหลายปีนานๆเลยนะครับได้ขอบคุณมากครับทุกเรีนไปที่ท่านต่อไปนะครั บ, บคุณไปรวมจชยอยู่ที่ไหนรับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับอยู่กรุงเทพครับชุ่งพลทนสายสองครับพระอาจารย์ครับ มีอะไรไหมวันนี้วันนี้มีคําถามขอโอกาสพระอาจารย์ถามนะจากการที่ผมปฏิบัตินั่งสมาธิก็มาฟังพระอาจารย์ก็เพิ่มเวลาจากเดิมเนี่ยก็จะนั่งเฉพาะตอนเช้านะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งตอนกลางคืนด้วยนะครับก็อันนี้อยากจะสอบอขอโอกาสพระอาจารย์สอบถามในเรื่องของสภาวะของของจิตนะฮะคือหลังจากที่เร า, ามีการ อดูลมไปเรื่อยๆจนลมนี้มันก็หายไปนะฮะในเรื่องของเวทนาที่เกินเจ็บปวดหรือการชางต่างเราก็ไม่รู้สึกนะมันไปอยู่ในอารมณ์อารมณ์หนึ่งจนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะฮะนี่อพอตอนตอนทําสมาธิที่อยู่ในในภาวะตรงนี้ก็ก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นใดก็ปล่อยมันให้มันอยู่นิ่งๆไปแต่พอหลังจากเราออกไปจากสมาธิไปแล้วเนี่ยอ่าไม่ถึงว่าวันวันวันวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็มานั่งคิดว่าไอ้สภาวะตรงเนี้ย ถ้าเกิดเราจะยกระดับของของจิตที่การพิจารณาอยู่ตรงนี้ขึ้นไปอี ก, อกขั้นหนึ่งเนี่ยเอเราเราจะต้องทําอย่างไรแล้วก็สภาวะจิตตรงนั้นมันจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์สภาวะจิตที่เราต้องการให้มันนิ่ ง, งนี้ไปตลอดครับเวลาออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆมันก็หายนิ่งแล้เกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มากระทบ บทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจบางทีก็โกรธเนี่ยเราต้องการที่ยาให้มันนิ่งเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิครับวิธีที่จะทําให้มันนิ่งก็ต้องใช้ปัญญาเวลาสัมผัสกับอะไรก็สอนไว้ว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนัรรเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ครับถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราก็จะรักษาใจให้นิ่งต่อไปได้ คื อ, คอมาถึงตรงภาวะตรงนี้เราก็า ก, ก็ทำสมาธิให้มันนิ่งๆอย่างนีงนงนงนง้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือคื อ, คอนอนออามาจากสมาธิเราเราไม่ได้ทำสมาธิเราเราต้องใช้ปัญญาแทนนะครับ ค, คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับพอพอเรามาใช้ปัญญาเนี่ยผมก็มานึกเอ๊ะภาวะตรงนี้เรามันมันอยู่ในฌานที่ที่จะต้องไปเป็นอรูปฌานหรือเปล่าเลยอย่างนี้ทําให้เกิดความสงสัย<อ>ในกา ร, รทำสมาธิครั้งถัดไปมันเหมือนกับว่ามัน มันเป็นมันเป็นนิวรที่คอยคอยกั้นในการการทําสมาธิด้วยครับใช่ลนะมันนิ่งมันว่างแสดงว่าก็จบหลับสุดสมาธิแล้วไมนต้องไปคำนวณอ๋อก็ทําทอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหครับรักษาให้มันสงบให้มันว่าง ใ, ให้มันมีความสุขแบบนี้ไปตลอดทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิแล้วขณะที่ออกมาจากสมาธิขณะที่ไม่แน่นั่งก็พยายามรักษาสภ า, าวะ น, นี้ไว้ต่อครับผมอย่าไปดีใจเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่มา กระทบกดใจโ <Okay>. oh. ดยการใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่มากระทบนี่มันเป็นมันเป็นใจนะเป็นนิจจามเป็นอนัตตาถ้าเราไปยึดกับมันก็จะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นเราอย่าไปยึดให้ยึดเฉยๆเขาชมเราก็เฉยๆไม่ต้องไปดีใจเขาด่าเราก็ไม่ต้องไปตกรธเขาครับผมเพราะถ้าไปดีใจใจมันก็แต้นขึ้นมาละ ถ้าไปเสียใจไปกดเข้าใจก็แต่งมาใจไม่แน่เงี้ยอุเบกขาหายไปมันต้องการรักษาอุเบกขาความลื่นเฉยของใจาะเป็นเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใจใจยังไม่ทุกข์ถ้ามีอุเบกขาถ้าใจไปรักไปชันไปดีใจเสียใจใจจะเริ่มทุกข์ขึ้นมาอีกนี่คือปัญญา ในขณะที่เราไม่มีอะไรงกระทำเราก็เราก็ใช้เรียนปัญญาร อ, อรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ได้กับกร่างกายเราไปมันต้องเจ็บไข้ได้ปวดมันจะต้องตายเวื่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจแบบเดียวกันว่ามันเป็นของไม่เที่ยง น, น, ย น, น, น่าตายเหมือนแต่ละน้ำตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้ <c oughs> เราก็ต้องยอมรับกับสภาพไป รักษาอุเบขาต่อไปมื่ที่ไม่แล้ไปกลัวมันไม่อไปไปเสียใจหรือไปทุกข์ร้อนของมันครับอันนี้ก็คือปัญญาพระพุทธเจ้าสอนไว้พิจารณาตามแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยการท้าทายจากกันอยู่เรื่อยๆด้วยเวลาเกิดเหกานี้ขึ้นจะได้ทําใจได้จได้ยอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องการขึอนกับทุกคนครับ อนนี้ก็ ป, ปัญญาอแบบหนึ่งปัญญาเป็นแบบทําการน้านทํานิ่หน้าไว้ก่อนเตรียม ต, ตัวไว้ก่อนส่วนถ้ามีอะไรมากระทบก็ต้องทําแบบปัจจุบันทันทีพอไปเจอคนที่ไม่ชอบที่หน้าเรามันมันมาลังควาเรามันมาขัดแย้งเรามันก็ววต้องพยายามรักษาใจอย่าไปมีปฏิกิริยาตอบต่งางไม่เอ่ยธรรก็เรื่องของเขามันไปควบคุมบังคับไปห้ามก็ไม่ได้ นี่ก็คือปัญญาเหมือ <Okay. S 1> นกันแล้วแต่เราจะใช้ใ ช, ใช้กับข้อสอบที่มาทันทีไม่ใช่แบบทำการบ้านรอเวลาข้อสอบที่จะมาต่อไปในอนาคตเรียนถามพู้อาจารย์อีกสักเล็กน้อยครับ <Yeah. S 2> คือในสมาธิเนี่ยเราทำมาถึงจุดนี้มันเพียงพอที่เราจะเอาไปใช้ในการพิจารณาในเรื่องของปัญญาแล้วใช่ไหครับ อ่าก็มีพูยมาตลอดไม่รู้เรื่องเลยครับเข้าใจครับอาจารย์นี่คือเนื่องจากว่าพอผมมีเกิดความสงสัยเนี่ยผมก็จะไปไปอ่านไปอ่านอ่าอ่าพระไตรปิฎกหรือว่าหนังสือพระพุทธธรรมอะไรเงี้ยในเรื่องของอ่าหลังจากที่เราเราพิจารณาในเรื่องของรูปประชานไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เราจําเป็นไหมต้องเข้าสู่ในเรื่องของรูปประชาน ไม่จําเป็นล่ะพ่ อ, อ เ, เจ้าบอกให้ได้รูปชาติสี่มาพอให้จิตซึ่งบอกเป็นปอุเบกขาพอไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ไม่จําเป็นไม่ไม่ควรใช่ไหมครับอาจารย์เสียเวลาเปล่ามันไม่ไม่ควรต่ากับ ก, การศึกษาก็เขาบอกว่าเสียเวลาแต่ว่าบางทีบางคนก็เอ ย, อยากสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรมบ้างให้ไปรู้รเรื่องที่มันให้รู้เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าให้รู้เรื่องตายรักดีกว่า อืมครับไฟอาจจะเสียเวลาเปล่าๆนะคให้มาสนใจใจรักในร่างกายใจรักในเวทนานดีกว่าครับหรือศึกษาวิธีปฏิบัติของมันนะให้ไม่ให้ใจทุกข์ของมันเได้นี่อืมครับได้ครับก็จะพยายามรักษาในเรื่องของอ่าจิตที่มันมันนิ่งแล้วก็ เกิดตัวไปขาในช่งวงจังหวะตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติ <ไป S 2> ก็ควบคุมจิตใจได้แล้วอยากจะไปนึกเรื่องหนึงนงน่งในพระตไตรปิยกก็ไปอ่านได้แต่มันไม่ได้เป็นคมเป็นเป็นความรูมเ้เสริมเฉยๆนั่นเองเรารูร้ทั้งหมดนี้ก็พุ่งมาที่ใจเราตัวเดียวให้เราร่งจกักรักษาใจของเราไม่ให้ทุกกับอะไรเท่านั้นเองเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับขอบคุณพระอาจารย์กับนรัสการครับขอบคุณก้อง อย่างราบุรีใช่ไหมตอนนี้อยู่ราชบุรีไม่ยอย่ที่ไหนครับครับผมราการพระจันท ร, ร์พระจันทร์ได้เห็นไหมครับได้ยินได้อ๋อครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางแสนครับอาะจานยร์บางแสนนะใช่ครับพอดีมาได้งานที่นี่ครับพระจรันทร์แล้วไงวันนี้มีอะไรจะถามไหมครับก็วันนี้มีคําถามครับพระจานทร์คือผมรู้สึกว่าคือพอดีผมเพิ่งเพิ่งย้ายห้องมาพอดีครับใช่ย้ายที่พักครับ แล้วมันก็ค่อนข้างจะเงียบอะครับผมก็เลยมานึกถึงว่าตอนที่ไปวัดอะมันก็รู้สึกแบบเนี้ครับอาจารย์คือที่แบบพอไปที่แบบค่อนข้างน่ากลัวขึ้นเงี้ยครับเหมือนมันจิตมันจะแบบตอนกลางคืนเงี้ยมันจะเกิดภาพแบบเกิดภาพวิญญาณ อ, าอะไรเงี้ยแบบเหมือนในหนังหรือว่าที่เคยดูอย่าเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าผมก็พยายามแบบพุทโธแล้วก็ฟังธรรมไปตลอดนะครับแล้วก็มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับ ทีนี้ก็อยากจะถามมันมันรู้สแต่แต่มันก็ยังแบบไม่ค่อยดีพอมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยครับพระอาจารย์แล้วบางทีก็นอนไม่ค่อยอินก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าแบบพระอาจารย์พอจะมีวิธีอะไรอีกเพิ่มมีไหมครับที่แบบจะทําให้มันแบบดีขึ้นหรือแบบให้มันให้เรานิ่งขึ้นอย่างพระอาจารย์ก็ใช้สติหยุดมันแย่าไปสนใจมันครามรู้สึกให้กลับมาที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไป มันเป็นปฏิกิริยาของใจเราที่เวลาไปอยู่ในสถานที่เงียบๆ้ะมันก็จะผลิตอาการเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองหรือเราจะให้ปัญญาบอกมันก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่แล้วร็ดับไปั้นทำรายเราไม่ได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็แล้วข้อสองพระอาจารย์วัะนั้นผมถาม ถามพระอาจารย์ทางข้อความเรื่องเรื่องปัญญาอบรมสมาธิครับพระอาจารย์ทีนี้ผมว่าจะยังถามยังถามได้ไม่ไม่ไม่ขรบครับคืออย่างเช่นว่าสมมุติว่าหลังจากเราทํางานมาเนี่ยครับพระอาจารย์ทํางานเสร็จเนี้ยแล้วแล้วเราก็แบบเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นเกิดหลายๆเรื่องมันแบบมันตีกันเนี่ยครับพระอาจารย์ทีนี้เราก็กลับห้องแล้วเราก็แบบอยากจะทําใจให้มันสงบก่อนเนี่ยครับ แล้วก็พอเราพุโทโธรแล้วแบบบางทีมันก็ไม่อยู่เราก็เลยแบบใช้ใช้ปัญญาว่าแบบเหมือนกับตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องอะไรที่จําเป็นที่เราจะต้องคิดตอนนี้เราแบบเราต้องการจะทําให้ใจสงบเราก็บอกความคิดไปว่าแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยู่ดีไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราไม่เราไม่ต้องการจะคิดเราก็กลับมาพุโทโธกลับมาใช้อีกทีได้ไหมครับอาจารย์ก็เราได้หรือเปล่าลองใช้ดู มันถามมาทำไมก็มันก็ต้องทดลองดูสิมันต้องทดลองหน่อยเราพูี้มันต้องลองผิดลองถูก ด, ดีามากน้ำลองล้วลองได้แลวเวมัลองไปทำาล้วมันทำไม่ได้แล้วก็แ ล, วกแล้วก็เสียก่อนนะเนี่ยใช้เหตุใช่ผ ล, ลงานก็เราก็ตอนนี้กลับบ้านนะเรา ไม่ใช่เวลาทำงานแล้วเราทำงานตอนนี้ก็ไม่ได้งา น, นพิเศษทำเป็นไม้เสียเวลาครับครับพระอาจารย์มันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นอนิจจามันไม่เทีย่ยมมันหมดไปแล้วเรายังเอามาแบบเอามาหามอยู่แค่นั้นก็ประโยชน์ไ้ป่ะใช่ครับ แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเรายัางจัดการไม่ได้ก็คือสติแร่ยังไม่พอที่นั้นเร า, เราก็จะเราก็ต้องกลับไปซุปเปิร์เื่อแก่นังใช่ไหมครับใช่ส่วนมันไปก่อนก<ม>็ได้ถ้าพูดทรวไม่อยู่ก็ลองใช้เอ็กซ์ตรีเไปก็ได้ครับอาจารย์และไม่ใช่นั้นก็รูปเป็นบันเดินจองกองฝ่ายก็ได้นะ้ครับผมบาทีแบบ นั่งบางทีตอนคืนผมนั่งผมรับตายเนี่ยมันแบบโผผ้ามันมาเจอะมากเลยครับครับผมพยายามแล้วไม่มีสติเลยไม่มีสติเพราะหงุดหงเลยครับครับอาจารนกลางวังผมก็พยายามฝึกตลอดนะครับแต่ว่าตอนคืนไอ้เรื่องไอ้เรื่องวิญญาณ น, นี่แบบเป็นอะไรที่แบบกลัวมากเลยครับต้องตั้งแต่เด็กนะไม่มีอะไรน่านกลัวไม่มีอะไรทํำลายเราได้ นั่งกายก็ทําทํางานนั่งกายเราไม่ได้ทำลายจิตใจเรามไม่ได้เราเป็นกลกงมันเองออครับพราจแล้วก็ <S <S ข้อสุดท้ายครับพระอาจารย์ตอนนั้นผมผมยังไม่ค่อยเข้าใจนิดหนึ่งครับตอนั้นรู้สึกที่พี่วอลิศเขาถามว่าแบบพ่ที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็บอกว่าความโกรธไม่ใช่เราเนี้ยครับแล้วผ ม, ผมจำไม่ค่อยได้ที่ว่าพระอาจารย์บอกว่า เหมือนกับทุกสิ่งมันไม่ใช่อนัตตาเสมอไปครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าคือยังไงครับอาจารย์ไม่รู้เราพูดอย่างนั้นหรือเปล่าทุกสิ่งมันเป็นอนัตตาสําเร็จธรรมานัตตามันไม่ได้พูดว่าทุกสิ่งไม่ใช่เป็นอนัตนนตาเวลาจะเข้าใจติดอครับอาจารย์ความกูดก็เป็นอนัตตาแต่ความกูดมันก็มีเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไป จัดการกับเหตุได้แล้วก็จะนนดดรนงับความกวดได้เป็นความกวดเกิดจากความอยากอยากกินข้าวตี๋สัง่งข้าวตี๋มาก็เขาต้องมาเขาโกรธแน่ใช่ครับถ้าเราไม่มีความอยากกินข้าวตี๋ <c oughs> กินอะไรก็ได้ <c oughs> ก็เอาอะไรมา <c oughs> ให้กินก็ไม่โกรธใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นี่คือความหมายเรื่องความโกรธแต่ว่า ม, มันเป็นอนัตตาแต่ มันเรากเรารู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เรานับสาเหตุนั้นได้สางปุ๋ยมันก็ครั้งก่อนทั้งที่มันเป็นกินเละกิเละนี่เราทําลายได้กําจัดได้ครับพระอาจารย์โอเคนะครับพระอาจารย์สบายดีนะครับาสบายรดีครับไปที่กรทมถามว่าที่กรทมคุณบาลีพุทธกาศใช่ไหม กลับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อได้ยินหนูไหมคะชัดเจนค่ะหนูอยู่วัดวุฒากาศค่ะหลวงพอ่อหนูย่องปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพอ่อทีนี้ถ้าถ้าเราจะวัดความก้าวหน้าของเราอ่ะค่ะหลวงพอ่อสมมติเรื่องเอที่เราเข้าสมาธิอย่างเงี้ยเดิมเราควรจะเข้าได้เป็นชั่วโมงพอต่อมาก็ลดเวลาลงมาเหลือครึ่งชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเหลือภายในไม่เกิน ยี่สิบนาทีหรือว่าสิบนาทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราเก้าวหน้าแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วสติเรามีกำลังมากขึ้น <S <S ตรอไปบางทห้านาทีก็ได้ค่ะแล้วแล้วผู้ที่เป็นอรรยบุคคลนะคะอย่างอย่างพระโสดาสติทายอย่างเงี้ยการระดับของสมาธกกิกับกับการใช้ปัญญาเนี่ยมันมันแตกต่างกันไหมคะหนูหนูหมายถึงว่า สกิทาอาจจะใช้แบบมากกว่าอย่างเงี้ยมันมันต่างกันไหมคะเออมันมันใช้คนละเรื่องกันคนละวิชากันโซดาบันใช้วิธีใช้วิชาละสักการะทิฏฐิพิจาณาขันห้าส่วนส่วนสกิทาคากับอนาคานพิจาณาสุภาคนละวิชากันนะเนี่ยแต่แต่ว่าทั้งทั้งสองท่านก็ต้อง ต้องเรียกอะไรต้องได้สมาธิเหมือนกันใช่ไหมคะได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนแนละ้วถึงจะเข้ามารักสามโยนได้เข้ามาเป็นโสดาวันได้ค่ะแล้วแล้วอการใช้ปัญญาอันนี้จะจะเทียบว่าขั้นขั้นที่สองมีมากกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สามมีมากกว่าขั้นที่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูเข้าใจผิดไหมคะมันคนละเรื่องไงปัญญาคนละเรื่องอาจะว่า สอบผ่านวิชานี้แล้วก็ไม่ต้องก็ต้องไ ป, ปสอบวิชาอีกต่อแล้วสมมุติสมมุติว่าถ้าเกิดเอผู้ที่สอบผ่านแต่ว่าไม่จําเป็นต้องได้ท็อปอย่างนีน้ถือว่าผ่านอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครัะมันไม่มันไม่มีทําก็ไม่ทําแต่ถ้าผ่านก็ผ่านเหมือนกันถ้ามันตัดขาดมันตัดมีดตัดเชือกเนี่ยถ้ามันขาดมันจะฟันกี่ครั้งเนี่ยมันอาจจะตากันบางคนกับ ไม่ได้ใกล้ครบกำลังไม่ได้มากอาจจะต้องคันแค่ยี่สิบครั้งมันจึขาดบางคนคั น, นแค่ครั้งเดียวก็ขาดกันอย่างนี้ขาดกันตรงนั้นแต่ถ้าไม่ขาดแล้วก็ขาดกันอย่านไม่มีคะแดนนู่สูงต่ำเท่าไหร่คือคือหนูสงสัยตรงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่นั่งสมาธิอะค่ะแล้วแล้วทีนี้แบบที่หนวงพ่อถามว่ามันสงบไหมมันสุขมากไหมอะไรเงี้ย แต่บางทีมันก็ไม่ถึงก็แบบสุกมากแต่ว่าเราเราอยู่เฉยได้กับกับเวทนาอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยสงสัค่ะพ่อเฉยได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้ครับวันนี้หนูไม่มีคําถามาแล้วค่ะพ่อหนูจะตั้งใจทําให้ได้เยอะที่สุดจะพยายามค่ะเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือกับจัดการทุกต่างๆค่ะพ่อ ใช่ครับทุกอย่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัตินะไรใชมดีไหมดีคนะ่ะหลวงพ่อจะไปยาวค่ะหลวงพ่อาางานทางศาสนาที่มีวันสิ่นสุดงแต่งานทางโลกนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีจบใช่ค่ะพอพอมันนึกถึงแล้วมันเหมือน อ่าวันนี้ต้องตื่นมานะต้องเตรียมโ น, น่นเตรียมนี่ไปทํางานพอเลิกกลับมาเดี๋ยวพวกนี้เตรียมใหม่มันมันเหมือนมันวนวนอยู่อย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่าหน้าเบื่อค่ะหลวงพอ่อแต่แต่ที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าถ้าทํางานทางทางทำเสร็จแล้วเงี้ยมันก็จะจบไปเลยอย่างเงี้ยสบายไม่ต้องไม่ต้องพูดโทไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องอะไรค่ะแต่แต่บางทีอะค่ะพ่อบางทีมันก็ไม่ไม่สงบแต่หนูหนูก็จะพยายาม เอาคําที่มาบอกว่าให้ลืมอดีและไม่ต้องไปหวังอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเนี้ยค่ะมันมันเหมือนพอพอคิดอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็นิ่งไปเลยค่ะหลวงพอ่อมันก็คืออยู่ได้แบบมันเหมือนถ้าเราจะแวะบ อ, อกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะใ ช, ใช่มันก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งค่ะดีทำต่อไปนะค่ะหลวงพอ่อกลับขอว่าคุณหลวงพ่อค่ะคุณชนาตรอยู่ที่ไหนคุณชนาตร แรลบนมัสการครับพระอาจารย์อยู่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอยู่ใต้ม่อะไรไหมเอ่อพระอาจารย์ครับพอดีในช่วงที่ผ่านมานี้ครับก็มีความเครียดที่เกิดเกิดจากการทํางานแบบเนี้ครับก็ในการฝึกสติปัจจุบันก็พยายามที่จะรู้ถึงความเครียดแต่ว่ามันก็ยังติดก็คือเรียกว่าแบบมันก็มีความเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับพระอาจารย์ก็ยอยากจะขอคําแนะนำหน่อยครับ ความเครียดก็เกิดจากความอยากงานนะครับเราก็ต้องรับกความอยากดูสภาพกับดูกำลังของเราเราทำได้เท่าไหร่ก็ทักำลังของเราไปอย่าไปตั้งเป้ามันสนกว่าที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราตั้งเป้าที่มันสูงกว่ามันยากกว่าก็ทำใหกเก้เราเครีแ่ถ้าเราตั้งเป้าแบบพอได้สบายๆก็มไม่เครียด นี่มางทีมั น, ม, นมันเราตั้งไม่ได้เพราะบริษัทเขาตั้งให้เรานี่ก็ช่วยเวลาด้ก็ต้องเปลี่ยนงานนั่นถ้าม า, มาขายประกันเองดีกว่ามันนี่ขยันอยากจะขายกี่ขายกี่ชัว่วโมงกาขายได้ตอนไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ขายได้ไม่เครียดพี่เป็นถูกใจการที่เราไปตั้งตั้งเป้าแล้วเราต้องไปทําตามเป้านั้นนี่บงทีเราก็ไม่ดูเสิ่งแวดล้อมดูตามเป็นไปได้มันเป็นไปได้หรือเปล่า อาจารย์นะเข้าใจครับอในถ้าไม่อยากจะเครียดก็พยายามข้อหนึ่งก็คือเราต้องลดค่าใช้จ่ายลงอย่าอย่าใช้เงินมากใช้เท่าที่จะเป็นมันก็ไม่ต้องเครียดกับการหาเงินมากๆใช่ไหมครั บ, รบหาเงินน้อยๆก็อยู่ได้ก็จะลดความเครียดไปเยอะความเครียดเปใหญ่เกิดจากกันที่เราใช้ใช้จ่ายเยอะมใช้จ่ายเยอะก็ต้องหามาใช้ต้องหามาเยอะ มาหาไม่ได้ก็เครียดแตถ้าเราใช้มากน้อยสันโดษได้ใช้เล่น้อยกินเล่น้อยกินของถูกไม่ต้องใช้ของแพงอะไรมันก็ไม่ต้องใช้เลยนมากมันไม่ใช้เงินมากทํางานก็สบายสบายไม่ต้องเครียดกับการหาเงินมากๆวิธีในชีวิตการทํา ง, งานท้่ไม่อยากให้เครียกก็ ต้องอลดรายจ่ายลงให้มากที่สุดเท่าที่มมากไดออ้จะได้ไม่ต้องเครียดกับการหาเงินมาแล้มาใช้ันึ่งพอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับผม อ, อมีอะไรไหมเ อ, อ่อพระอาจารย์ครับในกรณีที่ว่าการการที่จะละสังโยตสามในเบื้องต้นเนี่ยคราเหมือนสกริรญาติถิถิคือความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนใช่ไหมครับอาจารย์เ อ, อ่เ อ, อ เหมือนในกรณีที่การอคือดูกายดูใจอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับมันก็เห็นเห็นความเป็นตัวเป็นตนของมันอยู่แล้วการที่เราจะลัแบบนี้ครับพระอาจารย์มันเป็นไปตามลำดับของมันหรือว่ายังไงพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยร่างกายเราก็ต้องศึกษาว่ามันเป็นมาอย่างไงแล้วมันไปไปต่ อ, อ, ย, อยังไงร่างกายมันเนื่องจากอะไรนะเนือ่องจากน้ําสองหยดใช่ไหมครับผมน้าสอางหยดนี้เป็นตัวเราอะ เราไม่ใช่ครับไม่ใชแ่แล้วเราไปว่ามันเป็นตัวเราทําไมอ่าครับใช่ไหมเราอยากได้สองหยดแล้วก็ตาหน้าก็เติมเติมเติมอาหารเข้าไปเติมลมเข้าไปเติมอะไรเข้าไปมันก็ขยายตัวจากเซลล์ตัวหนึงการเป็นตัวเซลล์สองตัวจากสองตัวมันขยายเป็นสี่แล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะเรามีอาหารส่งไปให้มัน แ, แล้วมันมีตัวตนที่ไหนมันไม่มีเหรอกใช่ไหม ตัวเราอยู่ในเซลล์ือเปล่ามันไม่อยู่ในเซลล์นะแต่ถ้ามันกลายเป็นผมขวนแล้วฟันมันมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีนะพอามาจากร่างกายออกมาจากเขาแม่พอเราเห็นร่างกายนี้ก็เพราะว่าเป็นตัวเราเป็นมาทันทีเนะพราะตัวเราตัวจริงๆของเราไม่มีร่างกมันไม่มีรูปร่างมันก็เลยยึดร่างกายเป็นตัวแทนแทนตรงนี้นน ความเจรงร่างกายมันก็มาจากา 4, ดินธาตุสี่ดินน้าลงไปแล้วเวลาตายมาันไปไนนะ็นไฟใด่ะมันก็กลับเกิดสูนธาตุเดิมหลอนใจอย่างนี้มันถึงจะเห็นชัดว่าร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนเป็นการรว ม, มตัวและการการแยกสลายของดินน้ําลงไฟเราเป็นผู้มาเกาะติดร่างกายชั่วคราวนะเป็นเหมือนคนขี่มา้าขี่ร่างกาย มาสั่งให้ร่างกายทํานู่นทำน่ให้กําลังเราก็ผู้รู้ผู้ที่เอผู้รู้ผู้คิดก็ไมาใช่เราเองในใจเราไม่ลงไม่คิดว่าเป็นเราคิดเป็นเรารู้พวามจริงมันไม่มีเราเป็นสภาวธรรมเป็นธรรมชาติต้อศึกษาแบบนี้แล้วต่อไปก็จะรู้ว่าออขันห้ามให้มีตัวไม่มีตนร่างกายก็เป็นนิ่งน้ำนิงไป เป็ น, นาสัญญาสัญญาสัญญาก็เป็นสภาววัตถุที่เกิดดับเกิดดับเหมือนเหมนสง ห, หินห้อยค่อยคอยเห็นไปอานะจารย์ก็ต้องสอนไปเรื่อยเรื่อยสอนไปเรื่อยเรื่อไปเรื่อยเรืยดูไปเรื่อยเรื่อยจนวันนีมันร้องอ๋ออ๋อหายใจนะเข้าใจครับโอเคหมดแล้วนะ วครับกนสืบพัฒนาจากบอเวนเชนิญมรเลยจากกล่าวมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกลาวพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีวันนี้ได้ฟังทำช่วงธรรมะนากติพระอาจารย์ตอนบ่ายสองพระอาจารย์เคยบอกว่าให้รักษาใจไว้นะได้ ย, ยินไหมเจ้าคะ่ะพระอาจาราย์ได้ยินได้ยยพอดีว่าเ อ, อวันนี้มันเหมือนเหมือน อุทานในใจเว้ยเจ้าพราาาะพจารย์บอกมันอ๋อออกมาว่าคําว่ารักษาใจของพระอาจารย์ก็คือไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปรักชังกลัวหลงที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปฟังเลยใครจะมาติมาชมเราไม่ต้องไปสนใจให้ให้เราเฉยกับทุกคําพูดของเขาอย่างเงี้ยเจ้าพระพจารย์ก็เลยเข้าใจมากขึ้นค่ะเป็นมากขึ้นเจ้าค่ะเราเปอดวันนี้พระอาจารย์ อ๋ออันเดียวกันใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ทำเดียวกันได้ฝึกสติสมาธิให้ได้ตรงนี้รู้เวลาเจอใครเขาทําอะไรก็ไม่ต้องไปยินดีร้ายกับทําเขาค่ะมันเหมือนกับว่าวันตอนนี้กําลังกําลังทาตรงนี้อยู่ด้วยแล้วพอมาได้ยินพระอาจารย์พูดแล้วก็อธิบายตรงนี้มันเหมือนกับมันถึงบางอ้อเจ้าะอาจารย์ยิ่ได้ยินงได้เห็นว่าก็เป็นนัำตายิ่งชัดใหญ่ เนาะก็เป็นเรื่องยินฟ้ากัดเราไปห้ามก็ไม่ได้ไปสั่งยินฟ้ากัดนม่นะอนัตตาเลยนะอนัตตาเมยินฟ้ากะเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนเราไปมอกเขาว่าเป็นตัวตนเป็นตนขึ้นมานั้นอเอง เข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะเราไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราแล้วก็ควบคุมบังคับไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะเป็นขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเห็นชัดขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์ว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยากให้เขาเป็นหรือไม่อยากให้เขาเป็นเนี่ยยิ่งถ้าเราไปอย่างเนี่ยเขาเขาทําไม่ได้ตามที่ใจเราคิดเลยอปล่อยเข้าไปก็จะเป็นไงเรื่องของเขา ก็ค่ะแล้วคําคําสอนที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นพี่ก็คือชัดเจนมากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์ใช่ไม่ต้องเป็นเสือไม่ต้องเปนเสียกองรพระอาจารย์จาทีเลยเจ้าค่ะอาจารย์ชอบไปยุ่งกับชาวบ้ า, ากนก็อาา ย, ยู่เรื่อยนู่นนั่นอัตราคนดันอยู่แล้วเมื่อมันแ้่จบนะ้ค็ค่ะค่ะอาจารย์เราจะปฏิบัติต่อเจ้าค่ะอาจารย์พาทูเจ้าค่ะ อวาออวา่าลิขิตก็อนทำามา่าลิขิตการบำเตรการครับหลวงพอ่อก็เมื่อกี้ก็คุณก้องพูดถึงผมผอันนี้ที่ผมไปถามมั่งหลวงพ่อว่าเวลาเจอความโกรธให้มองมเปนอนัตตาได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าเรื่องจิตแต่มันเราไม่ต้องใช้ปัญญาเรื่องอนัตตาทุกเรื่องก็ให้กําหนดจิตให้หยุดความโกรธหลวงพ่อให้อย่างนี้ครับก็อันน้ก็อย่างนี้ครับคุณก้องก็พอแล้วก็ ตอนนี้ผมก็ก็พยายามจเจริญสติมากขึ้นก็เห็นต่างๆผมฟังธรรมะอันหนึ่งของหลวงตามหาบัวที่ท่านบอกว่าอัตตาเหตุตโ น, นาโหชแฉจริงคือพึ่งจิตใจตัวเองก็ผมคือพึ่งจิตใจของตัวเองนี่คือคือจิตใจตัวเองพึ่งยังไงครับหลวงพ่อเลยต้องพึ่งสติปัญญาสติปัญญาครับ ห, หัวใจของพุทธศาสนาก็คือพึ่งตนเองแล้วทําไมพระพุทธเจ้าถึงให้พระบินทบาทอย่างนี้เพราะอะไรครับหลวงพ่ออันนั้นเรื่องของร่างกายต้องพึ่งอ๋อที่ให้พระบินทบาทจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำ ง, งานแล้รเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้มีโอกาสได้ทำเ ง, งานินได้สองได้สองวินวินท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทํา ง, งาน ยอมไปได้ได้ได้มีโอกาสได้ทํำบุญกับคนที่ดีดี่กับไปทําบุญจับโจรใช่ไหมครับก<ะ>็ทุกทุกวันนี้ก็เริ่มทํางานถ้าทํางานมีรายได้แล้ ว, วก็เลยสามารถทําทบุญได้มากขึ้นก็มีความสุขมากขึ้นแล้วรู้สึกแล้วบนะุญก็รู้สึกว่าก็ทุกวันนี้ก็ ก็พยายามหาเวลาว่างแบบถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ตั้งใจว่าจะแบบอยากไปปิกวิเวกแค่ได้ก็แบบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ขายประกันโอเคก็ตามที่หลวงพ่อพูดอะไรอยากขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ขายเออจริงไหมหลวงพ่อก็อาจจะแต่ทุกว่าก็ไงก็แบบก็อิทธิบัติสีก็คือรากฐานของทั้งทางโลกทางธรรมเลยอย่างนี้ผมก็จะต้องใช้อิธิบัติสี่ก็เปิเรื่องนะ ท่าีกา ร, การนะครับ็คุณหลวงพ่อมา okay. อคุณพาราการแชียง ร, รัานอยู่ที่ไหนกราบราชการครับอาจารย์ผมอยู่ชนบุรีครับมีอะไรไหมมีครับผมขอการเรียนถามอาจารย์ครับผมภาวนาไปพอจิตมันเริ่มสงบลงไปมัน ใจความคิดเนี่ยมันก็เป็นเป็นความคิดนะครับแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวอย่าให้มันคิดหนึ่งอย่าให้มันคิดไปมันคิดต้พูดโทไปถ้าใช่ก็โทรแล้วพูดโทรต่อไปเลยถ้เดูเราก็ดูลองต่อไปครับทีนี้ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องราวอะไรครับแล้วมันก็มีมีปีติเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ว่าปีตินั้นเป็นปีติยะครับคือเขาก็ดูแค่ว่ามันเป็น เป็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ผมแล้วทีนี้มันก็มีผมขออนุญาตใช้คาว่าสัญญาสัญญาในในปิติอันนั้นขึ้นมาทีแรกเขาก็ยังไม่ว่าเป็นสัญญาเรื่องปิติผมจนมันมีมันมีสิ่งหนึ่งเคลื่อนออกมาผมไปรู้ที่สัญญาถึงรู้ว่าในสภาวะอันแรกที่เกิดขึ้นนะคือปิติแล้วมันก็ จากที่ที่แยกกันอยู่เป็นเป็นกองกองกลับมารวมกันแล้วก็รู้สึกที่ที่กายที่นั่งนั่งภาวนาอยู่แล้วก็ก็มีปิติเกิดขึ้นผมทีนี้ผมผมไม่มั่นใจตรงนี้ผมว่าอย่าไปสนใจไม่ใช่เรี้ยงสารละเป็นมายาให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่ใ น, นฟน้าสิ่งที่เราต้องการก็คือความว่า อะเกิดขึ้นมันเป็นมา ย, ยามันเกิดขึ้นนั่นเหนือระดับหนึ่ไม่ต้องไปพิจารณาให้เหนื่อยเสียเวลาแบบนั้นให้หยุดพิจารณาตอนนี้ไม่ต้องกาพิจารณาเลยต้องการจิตเนื่องจิตสงบไม่คิดไม่ทําอะไรคร<อ>ับก็ก็ทีนี้ก็วันนี้ผมก็มามาภาวนามาเดินผมว่าภาวนาพอพ อ, พอมันทวนเข้าไปดูที่จิตมันมันก็สงบ ว่างๆเปล่าๆอยู่อยู่ผมมันมันมันมันไม่ออกมารับภาษารับาอารมณ์ก็ต้องการให้มันว่างๆให้มันอยู่เลยนันนานๆนั่น <ผม S 1> งสมาธิก็เพื่อให้มันว่างให้มันว่างทุกอย่างจริงๆนี้ว่าผมผมผมมาทวนดูผม อ, อาการที่จิต ม, มันมันว่างๆเปล่าๆจริงจริงมันมันมันเหมือนตอนตอนตอ น, ตอนที่ภาวนาเข้าไปที่แรกที่ว่าเห็น เห็นปิติกับสัญญาที่ว่ามันแยกกันเป็นลส่วนกันมันมันมันมันกลายเป็นแยกกันอยู่หมดนะผมมันมันไม่มีผมนะผมในในขณะให้มันลดเฉยๆไมต้องไปให้มันว่างๆเฉยๆว่างเฉยก็ต้องแขงทุก อ, อ, อย่างเวลาออกจากสมาธิมาแล้วแล้วต้องาการให้มันเป็นอย่างนั้นไปทั้งวันทั้งคื น, นมันได้ไหมผมเจอใครสัมผัสแข็งอะไรก็วางเฉยไป ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราอยู่ในสมาธ <ผม S 1> ิเวลาออกจากสมาธิาก็ต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปให้ได้ผมไม่ใช่พอออกมาจากสมาธิก็กระโดดโน่นเต้นฮ่ไวไวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็นั่งสมาธิไปก็ไม่เกิดปอผมไไเวลามาใช้กา <ผม S 1> นั่นสมาธิเพื่อเอาเอาผลที่ได้จ า, ากสมาธิมาใช้ตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วเข้า <ผม S 1> ใจไหมผ ม, มนี่ผมขอโอกาสเรียนถามอีก อีกข้อหนึ่งอะผมแต่แต่มันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เกิดมาสักพักหนึ่งแล้วผมมันมันเหมือนสตินี่มันมันมันอยู่อยู่ข้างนอกอะผมมันมันมันมีสภาวะหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าสตินี่มันมันเหมือนมันวนอยู่อยู่ข้างนอกผมแต่ไอ้สพาะนั้นมันไม่ว่าอะไรอะไรทั้งสิ้น ผมผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันว่าผมภานาผิดหรือเปล่าแต่สตินะ่ะผมรู้ว่ามีอยู่แต่มันมันกลายเป็นเหมือนเหมือนมันหมุนวนอยู่อยู่อยู่ข้างนอกสภาวะเงินี้คผมอันนั้นไม่ใช่สตินะสตินะไม่หมุนไม่วน<ม>สตินะ ม, มีแต่<ม>รนะู<ม>้อย่างเดียวผมรู้ลมรู้ร่างกายรู้พุทโธในในสติและอย่างอื่นนั้นมันเป็นสำคัญหลังที่ปูแต่งเท่า ผ ม, ผมไม่ใช่สติผมอย่าไปสนใจกลับ<ผ>มาที่ลบกับมาที่พุโทโธดีกว่าผ ม, อผมโอเคนะครับผมกราบขอขอบคุณครับอาจารย์ครับ ถ, ถึงเชิดพุตตายพัทยานาเกลน้อมกราบนมัสการครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างอันนี้ ก็วันนี้ก็ถือสินแต่ค่ถื อ, อค่ะก้าวคํามก้าวคํามความโลบได้ด้วยค่ะอาจารย์วันนี้อดีรวอะไรอวันนี้รวมอะไรก็วันนี้มีลูกค้าเข้ามาขอซื้อสินค้าประมาณสี่ห้าร้อยชิ้นนะค ะ, ะแล้วหนูก็เสนอราคาไปแล้วก็ดูเหมือนเขาจะอยากจะซื้อนะคะ แต่ว่าเขามีข้อแม้ว่าให้หนูเขียนบินเกินนะคะอ่าหนูก็บอกว่าหนูทได้ไม่เอาอ่าถ้าเอาถ้าถ้าจะให้ถ้าจะซื้อก็คือราคาที่หนูบอกแต่ถ้าต้องการเงินหนูก็จะควากระเป๋าของหนูให้เขาเพื่อที่ว่าแบบพาคนหรือว่าแนะนำคนมาซื้อหนูยอมหนูยอมเอาเอาส่วนกำไรของหนูให้เขาบ้าง แ, แต่มันไม่เยอะก็เ อ, อาไม่เอ เขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาเพ่ะกลับมาใหม่แต่คิดว่าคงไว้กลับมาค่ะเราควรจะใส่ใจให้คนอย่างนี้ได้งไงนะอ่ะค่ะแม่หนูคิดว่ามันไม่น่าจะไม่ถูกต้องมันเป็นสีนไม่ถูกศีลธรรมนั่นโต๊ะโอ๊ะมันขโมยนั่นคอะหนูก็เลยว่าอืม หนูก้าวข้ามมันมาได้รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะแต่ก็มีข่า ส, สูงนะรักษาสีข้าวนี่ได้ถึงมีาวสูงใช่ค่ะก็เวลาวันท้ดหรือว่าวันที่เราตั้งใจมากๆเนี่ยมันก็จะมี ม, ม, ม, มีแบบนี้เข้ามาใช่ค่ะพอาจารย์มาให้เราทดสอบคิดว่าทดสอบนะคะแต่หนูก็คิดว่าเราก็ต้องทําได้ตอนที่ตอนที่เขาพูดนะั้นหนูไม่ลังเลเลยนะคะตอบเข้าไปแบบ ชื่อเข้าไปเลยแล้วก็เราทําการบ้านมามามามาก่อนนะก็เจอข้อสอบเนี่ตอบได้เลยค่ะเคยเคยสับลงมาหลายเล่าแล้วไม่ใช่ใช่ค่ะอารย์สองสามครั้งนะคะคราวที่แล้วก็สองก็เหมือนจะขับขับเส้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเชื่อตัดเชื่ไปเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้เงินเอาตายแปเไปไม่ได้นะสินเอาสินไปดีกว่า ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็ไม่เราตกตับไม่เราลงตับค่ะก็หนูก็พยายามทําอยู่ค่ะก็เมื่อกี้เข้ามาปุ๊บหนูก็นั่งฟังพระอาจารย์ไปก็เหมือนทําสมาธิไปก็มันเจ็บตรงขาเนะะี่ยค่ะเจ็บตรงขาแล้วก็พอมันเจ็บในใจเราจะกระวนกระวายกับมันเรื่องความเจ็บแล้วมันจะเอาสติเอาสมาธิที่ไหนเข้าไป เข้าไปข่มมันเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้อะค่ะเขาต้องไปปลูกสติขึ้นไปต้องทาพุทโธพุทโธถีไปเลยค่ะแต่วันนี้ก็สติแล้วหายไปนะคะแล้วก็มีอีกอย่างก็คือเวลาเรานั่งๆไปเนี่ยหัวเรานะคะพระอาจารย์มันจะมันจะมันเก็แง่าง่มันจะพลิกลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปกังวัเลยได้เราจะยืดตัวได้หรือเปล่าไม่ไม่ต้องหเวลา เราเริ่มนั่งแล้เราทิ้ง น, นั่งกายแล้วไม่ต้องไปสนใจมันจะงอบ้างจะโก้งบ้างไม่เป็นไรเพราะมีสติอยู่กับงานที่เราทำอยู่มันค่ะมันก็จะคอยมัน<ต>เหมือน<ม>กับ<ม>เป็นตัวถ่วงเราอะค่ะมันไม่ถ่วงอเราไปกังวลอย่างมันแต่ตัวที่ไปกังวลอย่างมันมันตัวถ่วงแเราไม่ต้องไปกังวลกับมันให้อยู่บนลมอยู่กับพุทโธไปร่างกายจะเองจะงอจะง่ายหลังหรืออะไรไม่ต้องไปสนใจเลย ท้าไม่ปับปบั๊บมันเสียสติเสียสมาธิทันทีแล้เริ่มแบบค่ะเคื่อน้ําลายก็ไม่มีแล้วค่ะไม่น้าลายก็เมื่อก่อนนี้น้ําลายมันแบบว่ามันจะออกมาเยอะๆแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็มีมเรืไม่ไสนใจมันไม่มนานอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งก็คือเวลานั่งหนูพยายามเอาตัวไปชิดผนงังอะทําถูกหรือเปล่าครัอาจารย์หรือว่าเราต้องนั่งให้แบบ โลงๆไปข้างหลังเลยหรือว่ายังไงดีพี่ถ้ามีถ้าคิดว่ามันมีปัญหาแต่ถ้าจะพิมพ์เพความสบายก็ไม่ควรใ้่แต่ถ้าอยากจะพิมพเพื่อไม่ให้ร่างกายมันมันมันงายหลังเรื่องยังงายหลังนี้ก็ก็มีอะไรก็ได้กันแม่แม่มันงายแต่นั่งอย่าไปพิมพ์มันก็ไดเพราะมันถ้ามันสบายแล้วสติมันจะมันจะอ่อน ทำให้มันไม่สบายดีกว่ามั น, มมนจะได้ม e ีสติมากขึ้นค่ะจะไม่ยาวครับอาจารย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์โอเคก็ดีใจด้วยนะที่ทําข้อสอบได้วันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัคุณแอบต่อเลยเช่คุณแอฟแอฟอยู่ที่ไหนสวัสดีครับอาจารย์อยู่เช okay. ียงใหม่ครับอ้า กทบคนหนึ่งนะที่เข้ามาน้องชายครับผมน้องชายนะโอเคมีอะไรไหมเอออยากจะสอบถามพระอาจารย์นะครับว่าคือเวลานั่งสมาธิแล้วจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมนเกิดจากผลอะไรครับผมคือมันเป็นความอยากหรือเป็นอะไรครับผมสมาธิเกิดจากการมีสติตงควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดเพระจิตหยุดคิดจิตก็เป็นสมาธิมันเน่งสงบ ก็คือเหมือนแบบประโมทความอยากใช่ไหมครับไม่ไม่หยุดความอยากเวลาจิตสงบแล้วมันไม่อยากทําอะไรมันไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรมันมีความสุขในตัวของมันเองไม่หิวทำอะไรเป็นการตัดความตัดความอยากหยุดความอยากชั่วคราวตอนนั้นมันรู้สึกอิ่มเวลาจิตสงบมันอิ่มมันไม่หิวมันไม่อยากได้อะไรไม่ต้องการอะไร เข้าใจไหมเข้าใจครับอ่แล้วมีอะไรไหมครับพอดีผมอ่าลูกปกติผมจะฟังใน f เฟซบุ๊กไลฟ์ครับแล้วพอดีวันนี้ลูกสาวขอฟังผมก็เลยเข้ามาซูมแล้วลูกสาวก็รึ่งนอนไปแล้วหลับไปหลับแล้วครับครับแล้วนะครับเข้าไปหลับแล้วครับผมเองผมก็ได้ฟังพระอาจารย์อยู่ในตลอดครับก็ได้ ปฏิบัติก็คือทำทานทำทานตกบารแทบทุกวันไปไปวัดภาวนาเช้าแล้วก็เป็นช่วงบ่ายสองฟังพระอาจารย์ก็คือนั่งสามาธิในช่วงที่พระอาจารย์ช่วงสองโมงถึงสามโมงครับดีดแล้วก็ตอนนอนตอนนอนก็ภาวนาครับวันหนึ่งก็ประมาณสามรอบครับแล้วก็ ก, ก็ก็ปฏิบัติมาได้อ่าสิบก็ปฏิบัติมาครบครบครบสิบสามคำสารนี้ก็คือได้ถือสินห้าเป็นปกติครับมีมากพยายามทำต่อไปทำให้มากขึ้นได้ยิ่งดีนะครับโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมครับขอให้ธาตขันของอาจารย์แข็งแรงนะครับอสาธุาครับรมาตรการครับการละการครับไม่พิจารณีกต่อ คุณทีอยู่ที่ไหนจากเชียงใหม่ไบที่ไหนอ่กนากล่าวนามัสการพระอาจารย์ครับจากเชียงใหม่ครับเหมือนกันครับ ม, มีจักกันหรือไม่รู้จักครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาอ่าดูในซูมเนี่ยครับวันนี้ครไับไม่มีอะไรครับมามาร่วมอฟังสุนทราธรรมเียๆครับขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุ คุณสมพงศ์ตอคุณสมพงอยู่ที่ไหนเอ่ยอยากเชียงใหม่จะไปไหนต่อครับครับตั้งสักการะพระอาจารย์ครับผมตอนนี้อยู่บ้านหยั่งครับบ้านหยั่งนะเมื่อก่อนอยู่บึงการใช่ไหมอัตครับ้านอยู่บองการนะครับก็มามาทำงานมามายของครับก็ก็ไม่มีอะไ ร, ระครับพระอาจารย์ไม่ร้องเพลงโอเคถ้าถึงไปที่ท่านต่อไปเลยคุณฟังว่าอะไร อันนี้กลับจากเชียงรายมาแล้วหน<อ>ูซีร่าชาค่ะพระอาจารย์ก็ตอนที่ไปส่งลูกค่ะหนูหนูคอยดูกันบ้านอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่าหนูจ่จะจะอุเบกขาหนูจะแข็งหรือเปล่าปรากฏว่าหนูก็ทําใจเฉยๆได้ค่ะแต่ว่าแฟนหนูเขาขับรถมาแล้วเขาก็เขา่าขับรถร้องให้มาตลอดเลยจับเขาไปนั่งสมาธิพอเขาไปนั่งสมาธิฟังทำพระอาจารย์การทางด้วยนะค ะ, ะแล้วเหมือนเขาดีขึ้นหนูก็คิดว่า ตรงตรงคําสอนเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้ให้เรามีอุเบขันแล้วก็มีใจิตใจเข็มแข็งมากขึ้นเขาเขาเศ้าเพราะต้องจากลูกนี่เลยใช่เจ้าค่ะไม่เคยจากกันเลยไม่เค่จากกไม่คุกเป็นห่วงเป็นห่วงมากเลยจริงจริงหนูก็เป็นห่วงค่ะแต่หนูมองว่าหนูว่าหนูเรียนทำจากพระอาจารย์เยอะหนูมองว่าชีวิตก็เป็นของเขาเขาทุกคนนึงก็ต้องจากกันหนูก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหรไ่แล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกับาวิธีดูแลรักษาตัวเขาเอง ค่ะก็ก็คิดว่าดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันคือพอเอากลับมาเนี่ยหนูก็มาปฏิบัติต่อในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของพยายามใช้สติอย่างเดียวไม่ไม่ใช้ความโกรธพอจะกวดปุ๊บหนูก็นึกถึงหน้าพระอาจารยนแล้วมันก็ก็ดีขึ้นนะคะเราก็มีสติมากขึ้นก็สามทีแล้วคะ่ะหลังจากที่ได้ได้เรียนทำ<ม>แล้วก็แล้วก็ใช้ความใจเย็นนะคะในการทํางานทําให้เรา มองเห็นความโกรธของคนอื่นแต่ว่าเราเฉยเฉยได้ค่ ะ, ะดีทางโกรไม่ดีมันเป็นไฟไฟเผาคนที่โกรธค่ะก็จะน้อมนำต่อไปค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าห่างลูกแล้วนะจะมีโอกาสปฏิบัติทมได้มากขึ้นค่ะนั่นดีการสั่คุณการต่อคุณการอีที่ไหนขออนุญาตครับอาจารย์ ผมอยู่กทมครับกทม ม, มีอะไรไหมเ อ, อ่อผมเดี๋ยวแป๊บเดียวครับผมอยู่ในเซเเดี๋ยวผมออกจากเซเว่นก่อเ อ, อ่อผมต้องการจะถามพระอาจารย์ครับว่ามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับที่เขาประมาณว่าเดี๋ยวแป๊บเดครับมีกลุ่มกลุมหนึ่งที่เขาประมาณว่าบอกว่าบอกว่าลูกศิษย์แต่เป็นพระสวดบัลแล้วครับ ถ้าเป็นก็เป็นเลยมไม่ได้มีใครไม่มีเลขสิทธิ์ห้ามใครอยากให้เป็นก็เป็นได้แต่เป็นจริงก็ไม่จริงนั้นเองใช่ครับอาจารย์แต่ว่าอตอนแรกเนี่ยผมก็เชื่อเพราะผมอยู่ในกลุ่มแต่วันหนึ่งเนี่ยผมได้ผมได้ไปเจอในกูเกิลครับที่อาจารย์บอกว่าคนที่บรรลุสวรรันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดเขาจะเก็บเขาจะเก็บตัวเงียบเขาจะไม่พูดแล้วก็ เขาจะไม่กล่าวว่าคนนี้เป็นโซยบันหรือไม่เป็นนี้ครับเขาจะไม่ก็พูดง่ายก็คือเขาเขาจะไม่พูดไม่เปิยว่าคนนี้เป็นโซยบันแบบทางโลกครับแต่ว่าในกลุ่มเนี้ยก็คือในกลุ่มเนี้ยผมอยู่ในกลุ่มนะแล้วก็คือผมไม่ได้ปาฏิารใครนะครับท่านท่านพายจารครับแต่ผมสงสัยเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโสภณีพรสวดจบันเนี่ยเขาจะไม่พูดเขาจะเก็บตัวเงียบครับเขาจะไม่บอกว่าคนเนี้เป็นแล้วหรือไม่เป็นแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าเขาจะดูให้ว่าคนเนี้ยคือท่านจะกราบเรียนองค์หลวงพ่อสิงห์ดำว่าองค์อ ง, องค์เนี้คนนี้เป็นหรือเปล่าแล้วหลวงพ่อสิงห์ดำก็จะบอกว่าองค์เนี้ยคนเนี้เป็นครับผมก็ไม่สงสัยเพราะว่าองค์หลวงพ่อสิงห์ดําท่านจะบอกว่าใครเป็น ใครเน่ยที่จิตญาคล้ายพระเจ้าแต่ท่านจะไม่บอกว่าใครเป็นพระเจ้าครับท่านไม่ท่านไม่มีหน้าที่พยากรณ์ครับพระอาจารย์ผมก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ากลุ่มนี้มันของจริงไหมเพราะผมไม่แน่ใจคำว่าหลวงพ่อสิงห์ดำนี่เป็นอะไรเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นเป็นพระในลมหายใจหลวงพ่อสิสฤาษีดำท่านลับสังขารไปได้ครับท่า น, น, นสุขเราไม่กล้าไปถามนั่นได้ยังไงเอ่อท่านท่านอาจารย์องค์คนเอ่อบุคคลนั้นนะครับท่าน ที่อันนี้ไม่ใช่พระนะครับพระอาจารย์ท่านนั่งอท่านทําสมาธิไปถามหลวงพ่อสิงห์ดำแล้วก็จะประมาณว่ามันโทรศัพ ต, ติดต่อได้เหร อ, อเก่งนะเป็นเป็นรายกลุ่มเอ่อเป็นรายกลุ่มแล้วก็คื อ, ค, อคือท่านจะใช้จิตสมาธินั่งสมาธิครับแล้วก็สามารถคุยกับองค์หลวงพ่อได้แล้วก็จะมีสิทธิ์เนี่ยเข้ามาถามว่าผมถึงโสดาบันหรือ ย, ยังแล้วพระอาจารย์อ่ะท่านจะดูจิตเอ้ยไม่ใช่ครับท่านอาจารย์ ท่านใจ อ, องค์จ ะ, จะดูจิตดูจิตว่าแล้วก็กําหนดจิตถามหลวงพ่อในสิ่งดำว่าองค์เนี้ยอ่กำหนดจิตถามหลวงพ่อสิ่งดำว่าบุคคลคนเนี้บรรลุสว่วรบาตรหร้อยังถ้าหลวงพ่อบอกว่าบรรลุแล้วท่านก็จะบอกว่ามบรรุแล้วครับโอเคแล้วก็ฟังหูไหวหูก็แล้วกันจะเ้าสอนยังพิสูจน์เองไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องปฏิเสธฟังหูไหวหูเ <c oughs> พเพราะว่าผมอ่านอ่านเจอกระทู้ของท่านอาจารย์ เพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าคนที่บรรลุจริงเนี่ยเขาจะไม่บอกใครว่าเขาบรรลุเขาจะเก็บตัวเงียบเขาจะไม่บอกว่าทางโลกเป็นโสดาโสดาผมอ่านกูเกิลเจอครับผมก็สงสัยเพราะว่าผมอยู่มาห้าเดือนแล้วผมก็เชื่อทุกอย่างใช่อย่างที่บอกถ้ายัางพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรือย่าเพิ่งไปปฏิเสอืมครับนะแต่ผมครับ เราเราไปห้ามเขาพูดไม่ได้ก็ห้ามไปเราไปห้ามเขาทําการพิสูจน์อะไรของเขาไม่ได้เขาอยากจะพิสูจน์แบบนี้ก็ไหวเขาพิสูจน์ไปแล้วก็าฟังผมไม่ผูก็แล้วกันครับครับอ่าขอบขอบขอบคุณท่านอาจารย์มากครับสวัสดีครับนะท่านคุณลีต่อศิริชาติการรัชกาลพระอาจารย์เจ้าค่ะ คราวที่แล้วหนูได้ได้ฟังกุศโลบายของพี่อาจารย์ว่าอยากจะลองรักษาสิ่แปลกแล้ววันนี้ทํางานใช่ไหมคะก็เ<ม>ที่ยงถึงบ่ายก็ทานอาหารแล้วก็หยุดตั้งแต่ตอนนั้นเจ้าค่ะ<ม>แล้วก็ดื่มน้ําผลมาไม้ที่ไม่ได้มีเนื้อนะคะ<อ>ก็ก็จนถึงตอนนี้หนูว่าก็ไม่ได้ทรมานมากจริงๆเป็นคนที่ทานจุกจิตตลอดเลยค่ะพีะอาจารย์ร <laughs> <ก S 2> สองชัว<จ>ช่วโมง ถ้าเรามีควตั้งใจมีความหนักแน่นใหเร่เรื่องเหล่านี้มันก็จะสลายตัวไปมันก็เหมือนกับฝึกให้เรามีมีระเบียบวินัยมีความอดทนก็ค่ะอาจารย์หนูมีคำถามหนึ่งค่ะมันมีศีลอยู่ข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับการไม่ปะทินของหอมดอกไม้หรือว่าแต่งตัวอะไรย่างนี้ใช่หมเจ้าคะอันนี้หนูไปทำงานหนูก็ลืมไปละ ก็แต่งหน้าไปอย่างนี้เราถือว่าก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะก็ถ้าเราไม่ได้แต่งเพื่อเราจะสวยความสวยความงานแต่อาจจะต้องแต่งเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การางานก็แต่งไปหรือเราใส่เครื่องแบบที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบไปก็ได้ใชค่ะอันนี้ถ้าไม่ได้แต่งเพื่อความสวยความงามให้คนเื็นเข้าชมเราว่าเราสวยเรามงามอย่า ง, งา น, <อ>นั้นก็ไม่เป็นไรแต่งเพราะเป็นหน้าที่ของบริษัท ของคนทำงานเราจะต้องใส่เครื่องแบบนี้หน้าตาจะต้องเรียบร้ออะไรนี่เราทำอะไรไม่ <c oughs> ไมีปัญหาเลย <c oughs> มีเรื่องเดียวค่ะ <c oughs> แต่ละมาตรการค่ะ <c oughs> ไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ว่าเวลาอยากจะสวยอยากจะงามให้เป็นเลยก็เห็นแล้วต้องชื่นชมดีดีอรอยถ้าทําอย่างนั้นก็เป็นเป็นเรื่สิ่งที่ไม่ควรจะทำ <c oughs> เราไม่ต้อกงการจะอ้วนความสวยของร่างกายเราต้องการวความสวยของใจค่ะ เข้าใจนนคนซื่อสัต์เรียบร้อยมีวินัยมีระเบียบอะไนี้ดีกว่าเข้าใจค่ะเดี๋ยวคืนนี้ตอนนอนเดี๋ยวจะลองดูค่ะว่านอนพื้นเป็นยังไงจริงๆ <c oughs> มีคนปวดหลังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองลองมันจะมันง่วงนอนมันเดี๋ยวมันก็หลับเองหลังก็มันก็หลับถ้ามันจะนอนไม่มากพอตื่นขึ้นมาจะไดลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อเดี๋ยวจะลองเจ้ะค่ะดีค่ะ จะได้มีเวลาได้ได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นงนั้นจะนอนถ้านอนกับเตียงพู่งหน้าหนาวมันก็จะนอนยาวจริงจริงด้วยค่ะีตอนเช้าตั้งปลุกแล้วก็นอนต่ออีกตั้นึงอะไรเงี้ยก็เลยเวลาอีแล้วใช่ค่ะค่ะโอเคนะค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจพยายามทำให้ได้นะสองดีแล้วค่ะข้างหลังเบอกว่าถ้าโนเพนโนเกง เราไม่มีการต้องการก้าหน้าก็ต้องต้องมีความเจ็บปวดนช่ไหถ้าไม่มีความเจ็บปวดมันก็ไม่ก้าวหน้าทะหน้า น, ะนาจิตใจค่ะแล้วการที่ไปอเมริกาอะไรนี้คุณสมชายเป็นเช่นไรนีย่ยกับสวัสดีท่านพระอาจารย์ครับแล้ว่ว็ วันนี้ก็เข้ามารับฟังจากหลายๆท่านที่ถามมาแล้วก็ท่านพระอาจารย์ได้สอนไปครับผมก็รับฟังแล้วผมก็อย่างที่ท่านท่านห่งท่านพูดว่าทาไมกินข้าวเย็นผมกินน้ำกินผลไม้ตอนเย็นนี้ก็ไม่ผิดแม่หรือเปล่าไม่รา ดเน้เําผลไม้ได้แต่กินผลไม้ไม่ได้อผลไม้ไม่ได้ดื่น้ามันได้ขันขั้น้ น, นาน้ํามาดื่มได้แต่แม่มีเนื้อดื่มมาแล้วก็เรื่องเรื่องการโมโหได้ยินนี่นี่ก็จริงทั้มา้ครับเมื่อกี้เดินไปเดินมาก็เอเพื่อนที่ทํางานในโมโหเครียดนั่นเครียดนี้ ความคิดมันจะน้อยลงผมว่านี่เป็นความจริงที่สุดเลยครับก็แค่นี้ครับโอเคไม่มีอะไรนะครับจำได้ดไหมนที่คุณหมอวลาพัน์เชิญคุณหมอครณสรุการนัรทสการพระอาจารย์ครับวันนี้มาเข้ามากราบอาจารย์ดีใช่หครับผมมีคำถามครับผมโอเคยังไงก็เจอกันอาทิตนะ ครับกับคุณพระอาจารย์ค่ะไอ้ที่คนทำมาวันทำเสรเขาทำบน้นอง ก, กลับอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมช่วงนี้ยมพิจรารณาร่างกายไตรลักษณ์ของร่างกายทั้งภายนอกและภายในอยู่เสมอเจ้าค่ะแล้วก็ พบว่านิมยมอายุ59ย่าง60ใช่กหช่ค่ะปีนี้โยมเพิ่งรู้สึกว่ายมแก่มากแล้วก็พอครั้งภายนอกแล้วพอพิจารณาดูภายในรู้สึกว่าทำไมร่างกายเรามันเหมือนถุงถุงอุจจาระอย่างเงี้ยะคะอ่ามันก็เป็นในทั้งอุจจาระในทั้งลาไส้มีตับมีไตอะไมันเป็นถุงใหญ่ๆคือมีอยู่วันโยมคิดว่า ส่วนเราเราเอาข้าวกับกับข้าวที่เราใส่จานเนี้ยวางเอาไว้หกชั่วโมงองมันก็คงเริ่มเหม็นบูดนิดแต่ถ้ามันใส่เข้าไปในตัวเราเนี้ยมันจัดกลายเป็นอุจจาระเลยนะคะเรืมองการมันมีมันมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาทาเคมีเพราะมันจะต้องแยกเอาส่วนที่มันใช้ได้ออกไปสกัดออกไปแล้วข้าวก็ยังแบบวางไว้ในจานที่พืชนี่คนยเดินใกล้ใกล้ได้แต่ถ้าเรา เอาอุจจาระเราไปวังที่พื้นที่คนก็แบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นอะไรที่สุขบปกมากแล้วก็พยายามดูไตรักในในในตัวเองให้มากก่อนไปดูคนอื่นอย่างเจ้าค่ะจริงการดูความสุขบกของร่างกายนี่เพื่อดับการมาราคามากกว่าเวลาเราไปเห็นร่างกายที่เราชอบนี่เราต้องนึกถึนอุจจาระว่าเป็นแค่ถึงอุจจาระเราจะได้ ไม่ไม่ไปรักไปชอบเขาอืมด<อ>ดเป้าดูผิดเป้าไม่ใช่ดูที่ตัวเราตัวเราไม่มีโทษไม่มีภัยดูร่างกายของคนที่เราไปรักไปหลงไปชอบเขาเราเองตัวนั้นยมไม่ไม่ได้รู้สึกดนทางนั้นกับพูดเผื่อไว้ถ้าเกิดมันมีจะได้ใช้ใช้อสุภารดันได้ ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วพอดูตรงนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย<ม>เราต้องทำยังไงต่อเจ้าคะที่จะคือข้ามคือถ้าเรารู้สึกว่าเราข้ามการบรราคาะได้แล้วเนี่ยคะ่ะแล้วหลัลักระยัติถติได้สักระยัติถิิน่าจะได้น ะ, ะคะยังกลัวตายหรือเ่าักลัวเจ็บไข้แล้วย ไม่กลัวตายเจ้าค่ะแต่ว่าคร า, าวที่แล้วที่ที่ป่วยปวดหัวมากๆนั่นโยมโยมเริ่มไม่แน่ใจตัวเองว่าว่าว่าทําไมตัวเองเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นที่แน่ใจว่าคือคือทางนั้นทําให้โยมคิดว่าตัวเองไม่ได้แน่จริงอย่างที่ตัวเองคิดเลยนะคะก็ล่งทวยสูดดูทดสอบดูว่าเป็นอย่างะอย่างที่เราคิดแล้วเป ล, ล่าจากการราคากางทีก็อาจจะต้องไปดูหนังโปดู ่าจยังมีการมาลองบ้างต้องทดสอบดูงั้เราไม่รู้หรอกใช่ไหมก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องเจ็บปวดนิยมคิดว่าธรรมดานี่ก็นิยมจะไปทดสอบสักสักห้าข้อของของสัญญา เจ้าค่ะแล้วยังจะจ่กลับมาเรลยงานกลับพบคุณอาจารย์มแมนะ่จ้าไปที่ Dallas Texas ัคุณสุภัทตามันไม่มีว่าผู้หญิงมาจาก Dallas คนนึ่งมาฟังธรรมกลับนะมันส ก, การพระอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะเจอกบคุณสุภัทตาให้เข้ามาในช่วงเือ น, นี้ไหมไม่ทราบกำลังดูอยู่หรือเปล่าอ๋ <c oughs> อเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดียจติธรรมด้วยเจ้าค่ะ <c oughs> ผมไม่ได้เข้ามาในห้องนี้มันอาจจะดูอาจจะดูอยูข้างนอขนาดน่นนจะไม่ได้ดูนะมีอะไรไหมวันนี้เอช่วงนี้ลูกเออ่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามรูปแบบเท่าไหร่เจ้าค่ะเพราะว่าวุ่นวายกับเรื่องของการซ่อมบ้านที่ที่เมืองไทยแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ยังปฏิบัติแต่ว่าเพียงแค่ว่าไม่ได้รูปแบบเหมือนที่ทําประจําเท่าไหร่เจ้าค่ะงานบ้านอยู่เมืองไท ย, ยังไป่วุ่นวา ย, ยาวันนะี้ หลังคาหลังคามันรั่วเจ้าค่ะแล้วฝ้ามันก็เป็นรูกลัวมันจะถล่มก็เลยก็เลยต้องหาช่างไปไปซ่อมหลังคาเจ้าค่ะเจ้าค่ะพี่สาวช่วยดูแลบ้านให้แต่ก็เราก็ต้องคุยกับช่างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีก็ตอนเช้าจะนั่งสมาธิแต่เวลาพอช่างโทรมาก็จะต้องเป็นเวลาเรานั่งสมาธิก็เลยไม่ค่อยได้นั่งช่วงเช้าเต็มที่เท่าไหร่เจ้าค่ะ แต่กต็ก็นำคำที่พระอาจารย์แนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ายังขาดอุบเบกขาก็พยายามมากๆเจ้าค่ะเรื่องของอุบเบกขาแล้วค่ะก็จะพยายามดูสังเกตว่าสังเกตว่าจริงๆพอเราทำดี mm hmm. ความสุขของการทำดีมันก็ไม่เป็นกลางอ่ะเจ้าค่ะ mm hmm. คือคือตอนนี้เริ่มเห็นว่าทำดีก็ดีแต่ว่าพอเราไปสุขกับมัน ใจมันฟุ้งอ่ะเจ้าค่ะมันก็ฟุ้งไปตามความสุขนั้นมันไม่เป็นกลางอ่ะเจ้าค่ะมันทำทำตามเหตุผลมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปทําดีแล้วได้ดีแล้วก็ผ่านไปจ้าเจ้าค่ะมันยากกว่าเห็นทุกเห็นทุกมันเรารีบกลับมาเป็นกลางแต่พอสุขเรื่องของทําความดีมันมันตะเลิอ่ะเจ้าค่ะมันมันดึงใช่ ได้เจ้าค่ะลูกก็เลยเปลี่ยนคํเาเวลาลูกเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิตอนนี้ลูกก็เลยเปลี่ยนคําใช้คําว่าสักแต่ว่ารู้แทนเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับสอนสติตัวเองว่าให้แค่รู้ให้แค่รู้ก็จะท่องว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆแทนตอนเนี้ย<ช>จ้่ะแ่ปัญญาอะไรสุดสุดก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เทีย ม, กก ม, เ, ยมเจ้าค่ะไม่มีก็เลยเจ้าค่ะอยู่แล้วดับไป เจ้าค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมพระอาจารย์บอกว่าให้พยายามให้เป็นอุเบกขาเพราะว่าพอไม่เป็นอุเบกขามันถึงดีมันก็ดีแบบดีแบบตะเตลิดอ่ะเจ้าค่ะดีแบบไอ้นั่นอ่ะเจ้าค่ะก็เลยก็เลยแบบเข้าใจแล้วว่าพระอาจารย์บอกว่าอุเบกขาคือแค่เป็นกลางเป็นกลางไม่ว่าสุขหรือทุกข์เป็นกลางรักษาใจเป็นกลางเจ้าค่ะงาดีใจก็ฟูขึ้นมาใจเจ้าค่ะใจก็หกใจก็แคบไป แม่แม่แม่ให้มันฟูแม่หมันชาติใันอยูที่เดิมใช่เจ้าค่ะลูกก็เลยเอาตรงเนี้ยฝึกช่วงตรงนี้เจ้าค่ะฝึกอาทิตย์นี้ลูกก็พยายามฝึกตรงนี้ก็เลยท่องสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ให้มันข่มตัวเองว่าเราแค่รู้นะอย่าให้ไปฟูตรงนั้นฟูตรงนี้เจ้าค่ะก็เท่านี้ยเราเจ้าค่ะอย่าไปดีได้ขนาดไหน เจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะถึงเจ้ค่ะคุณดาวินก็คุณดาวินอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่ลามินทากรุงเทพครับอ่ามีอะไรไหมก็วันนี้เจอข้อสอบเลยครับอาจารย์เจอมากนโควิดสองขิดโคินะสองขีดนะสองขีดครับเราดีใจว่าเราชโชคดีเป็นคนถูกวัคซีนวันที่สองที่หนึ่ง ก็ใจก็ไม่ได้รกระเพิ่มเลยครับก็คิดคิดรำมว่าอย่างดีก็แค่ตายครับพระอาจารย์เออเดได้ละที่านได้ได้ละสักกะยักทุติยได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็แยกแยกอยู่ครับก็เลยคิดว่ามีเวลามาเจริญกายยัตาสติครับพระอาจารย์เออเราจะเราจะทำอะไรที่ทำใจให้ยิ่งแล้วใจยังไม่มไวุ่นวายครับความความเป็นความตายของรา่างกายความนันเป็นไปลายตาอย ในส่วนของกยธายภตัสติครับอาจารย์เราเราแค่รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนี้ครับใช่รู้ว่าเราได้ให้ร่างกายเราลทำอะไรเช่นตอนนี้ว่ามันนั่งกอนมันพูดแค่มันอยู่กับการนั่งการพูดไปอย่าให้มันไปคิดถึงไอทีเคอย่าให้คิดถึงอาการผู้นี้ว่าจะเป็นอย่างไรไรี่เราไมให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเลาครับตอนนี้ก็เห็นร่างกายเหมือนเหมือนมันพายุเข้ามาครับพระอาจารย์ มันโดนพายุกระนามาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปตามนั่นของมันนะครับมันจะเป็นยังไงก็ดูไปตามตามสภาพความเป็นจริงเราไปควบคุมมอาครับมันไม่ได้ครับหายก็หายไม่หายก็ตายครับนี่เท่านั้นครับเได้ไม่ง่ายครับไม่ตายรอบนี้ก็ทํางไปตายรอบหน้าดีใช่ไหมครับไม่เคินอย่างนี้ก็แล้กัน มันต้องมโดนมันต้องมันต้องตายชักรอบถ้าไม่ตายรอบนี้เดี๋ยวมันก็มีรอบใหม่มามันจัดการอย่างเนี้ครับเราทําใจเฉยๆไม่ทํำไปยุ่งกับมันมันไม่ใช่เราเราเป็นคนเราเป็นคนดูแลมันเราเป็นคนอาสายใช้มันนันมันเหมือคนใช้เราคนรับใช้เราใช้มันได้ก็ใช้ถ้ามันไม่ยอมอยู่มันจะไปก็่อไปถ้าคนรันคนรับใช้จะขอเราจัดงานค่ายลงไปครับ แค่นั้ น, นึองอันนี้ดีได้ได้มีโอกาสถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนเจอของจริงนะเจอข้อสอบจริงครับพระอาจารย์ือว่าใจเราจะนิ่งจะเฉยไม่เหลือดร้อนกับมันได้นะครับมีเท่านี้ครับพระอาจารย์ครับเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับ ทีลราไม่มีไม่มีวิกฤตมันแค่ไม่ไม่ไม่รู้จะทดสอบใจเราย่งไรถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับราอาจารย์มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยครับอ่มีสบายด้วยเขาเขาเขาไม่สงสัยว่าเราเราป่วยเราป่วยจริงหรือเปล่านะก็ให้เราอยู่ลได้สี่วันแบบสบายเยครับดีนะพยายามรักษาใจให้เฉยๆก็แล้วกันใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายึ้นอย่างนี้นะ ครับงานการจะเป็นอะไรใจก็เป็นเหมือนใจมันเดินใจเป็นทูรู้ทูทิดครับไม่ทําไปเศร้าหมองไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปว่าไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับใช่ไหมครับครับครับอ่าคนที่ว่าหายไปท่านอาจารย์ไปติดโควิดมาแล้วป่ะร่วมสการเจ้าค่ะว่าอาจารย์ไม่ติดเลยค่ะฝันอยู่ด้านนอกค่ะว่าอาจารย์อ่าเป็นคาทมอรใช่ไหม สชัทีัคุณบอกสุชาติรีมาทุทาน่นาใต่อนมัตชาการท่านอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะไม่ได้ไม่มีโควิดเหมือนกันเนี่ยไม่มีนะม่มเลยเจ้าค่ะโอเคมีคนแอนคอบคนอเอยู่ญี่ปุ่นไหมแอนเคนนัตชาการอาจารย์ค่ะอยู่ญี่ปุ่นค่ะมีอะไรว่ามาเลย คือสงสัยค่ะตอนแรกไม่มีค่ะเมื่อจะกู้ฟังฟังไปแล้วก็เริ่มสงสัยว่าสมาธิเนี่ยที่ฟังมาตลอดแล้วนะคะว่าถ้าเราได้สมาธิแล้วเราก็จะมีความสุขในสมาธิมันเหมือนกับตอนที่เรามีความสุขในการวาดรูปแล้วเรามีสมาธิอย่างนี้ไหมคะมันสมาธิตัวเดียวกันไหมคะตัวเดียวกันแต่มากกว่านั้นมันจะนิ่งมันไม่ต้องทําอะไรอือคืออย่างถ้าสมมติว่าเราเราวาดรูปหรือว่าเราเล่นดนตรีแล้วเรามีสมาธิจดจ่อ อันก็มีความสุขแตนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสมาธิเราจะได้จากการนั่งสมาธิแต่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือมุ่งมุ่งอยู่แต่กับสิ่งนั้นถ้าในสมาธิที่เรานั่งอถ้าเรานั่งเราไม่คิดเลยอาจะไม่ต้องทําอะไรอ๋ออย่างวัดรูปเรายังต้องมีวางแผนในในหัว่าสีต่อไปเป็นอะไรต้องทําอะไรต้องวาดยังไง คิดยังทำงานอยู่ยังไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะนิ่งแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะนอี้แต่ถ้านั่งสมาธิมันจะนิ่งมันจะนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันจ ะ, น ม, นจ ะ, ม, นจะมันจะมีความสุขมากกว่าหลายเท่าเลยนะอ๋อค่ะพอดีว่าช่วงนี้หยุดหยุดยาไทลอยปรัชพโมนนะคะอารมณ์มันก็เลยสวิงไม่สามารถนั่งสมาธิได้หรือว่ามีสติไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ก็เลยเริ่มเอา ลูกมาวาดมาระบายค่ะใช่แต่ความจริงคือก็ยังสมาธิได้มันไม่เกี่ยวกันล่นะค่ะเพีแต่ว่าสติเรามีกําลังไม่สู้มันไม่ไหวนะั่นสู้ไม่ไหวค่ะเพราะว่าลงไม่ไหวค่ะอย่างอารมณ์พระอาจารย์บอกว่าให้พยายามไม่โกรธใช่ไหมค ะ, ะ ก, ก็พยายามตั้งสติแล้ทีนี้พอลูกกวนมากๆลูกงองแงก็จะเริ่มปี๊ดขึ้นมาก็เลยบโอ้ไม่ไหวละ สเกตก็ดีใช่ว่ารูปแทนก็ได้อ๋อค่ะดีทำไปนะฟังไปทำทำบ้างก็ได้พรเทพทค่ะนี่ช่วงนี้ดีใจค่ะพระอาจารย์มีเทศสดจุดทุกวันแล้วก็ตามสเกตก็ตามฟังค่ะดีติดตามครั้งต่อไปก็เสาร์อาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์ค่ะสุแบบค่ะ คุณทาหน้าพนเชิญใครเปิดประตูข้างหลังด้ยใครเปิดประตูแระประมาณนนัแต่เราม่สัานครับอาจารย์ครับอ๋อเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงมีหมาหรือเมื่อครับหมาคนมาสกิฟก็พอดีอด้ได้ฟังเราก็ต้องมั่นากับคุณคุณสุขพัตนากับคุณตายด้วยที่แก็บ คุณสุภาตาที่แกนเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องดีเนี่ยครับพอก็มาคิดถึงตัวเองเหมือนกันว่าพอเป็นเรื่องดีแล้วบางทีมันปรุงอร่อยมันก็มันก็ะปรุงไปขยายกันไปใหญ่ส่วนเรื่องของของคุณต่ายที่แกเอาชนะความโลภได้ก็ก็ชนะแกด้วยครับ<ม>ระหว่างฟังทำเนี่ยครับก็ก็มีมีคําถามขึ้นมาครับเป็นถ้าเราพิพจารณาปัญญาเนี่ยครับอาจารย์บางทีเ อ, อสมมุติว่าเราเรา เราประเผชิญกับความทุกข์เนี่ยครับจริงๆมันก็มีทางที่ที่เราจะพิจารณาไปทั้งทั้งทั้งด้านไตรลักษณ์ทั้ ง, ง, ด, งด้านศักยะทุกข์ที่แล้วก็ทั้งด้านที่เป็นอริยสัจสี่อย่างเงี้ยฮะอย่างตัวอย่างถ้าเราพิจารณาเป็นไตรลักษณ์เราก็มองว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่คงทนถาวรมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปมาแล้วตัว โดปฏิวัติครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเราพิจารณาในในส่วนของที่เป็นสัจยะทิฏฐิก็คือว่ามันมันไม่มีตัวเราที่เป็นเป็นเป็นผู้รับความทุกข์นะมันก็คือตัวเรามันก็คือท่าสีเนี้ยถ้าเราพิจารณาอริยศาสตร์แล้วก็พิจารณามองหาว่าเออทุกข์มันเกิดจากอะไรมองหาสมุทัยของมันเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันมันก็ไม่มีความตายตัวใช่ไหมครับพรอาจารว่าเราจะเลือกใช้ใช้ออันไหนนะครับพระาจ แต่เราแต่ว่าเราถ น, าดนัดด้นไหนเนี่ยอืมมราใช้หน่นใช้ไหนได้ก็ใช้อันนั้นนะพูด ง, ง่ายๆมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามตาม้วาสามารถต<อ>แต่ใช้ปัญญามันใช้ปัญญามันยากกว่าใช้สติครับก็ไปตามอุปนิสัยเราเลยเรามองอะไรเป็นเป็นด้านไหนเราก็มองไปด้านนั้นไป <S <S อบางคนถนัดปัญญามาใช้ปัญญาแล้วครับแต่มันประหยัด คนบางคนไปขนาดทางสติครับพุทโธพุทโธอะไยงเงี้ยได้ครับครับอาจารย์ครับย่งคุณสัพพะชาเราจะไม่คิดไม่คิดให้รู้เฉยเฉรู้เฉยเครับครับอืมครับอ่าแต่ได้ครับแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีป่ะขปัญญาอ่ะดีที่สุดสุดยอดของของเครื่องมือที่จะใช้แก้ปัญหาคือความเชื่อมโยงกับปัญญา ถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะหา ย, หายขาดเลยถ้าเป็นสติกนี่มันหายชัวย่วคราวครับนะค ร, บครับขอบพระคุณครับอาจารย์ต่อไปคุณที่นี่ที่นาลาเนี่ยที่นาลาที่ไหนครับมนัสการหลวงพ่อคะ่ะ <c oughs> อยู่อเมริกาคะ่ะอยู่เมืองอะไร อยู่ที่ซโนม่าค่ะนมาเคยเข้ามาลมลแล้วต้อประมาณขาหลวงพ่ อ, อขาดเคยเข้ามาแล้วนานมากแล้วค่ะชื่อในดเดซ์เพลย์คือฟ้าค่ะก็ป่วยก็เลยหายไปนานมากแต่ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งตลอดนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ยุ่นวายอยู่กับคุณหมอก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามาซูมแล้วก็ ตอนนี้ก็ต้องทำงานพอพอสภาพมันคงตัวได้ก็ต้องกลับไปทำงานซึ่งเป็นากาดเช้าค่ะเข้ามาคือจะหนูฟังตลอดอะค่ะติดตามเอา YouTube แต่ว่าหนูจะถามหลวงพ่ อ, อค่ะว่าในขณะที่ทำงานแล้วจิตมันรวมกันเป็นสมาธิคืคอทำให้ขณะเราทำงานดูแลคนแก่เนี่ย หนูเห็นมันมีแต่ความวุ่นวายมนุษย์มันมีแต่ความวุ่นวายคารืหัสมีแต่ความมันต้องกระเสือกกระสนหาตามกิเลสสั่งมาตันหามันสั่งมาว่าให้มีให้เป็นให้อยู่หนูก็เลยตัดสินใจว่าจะทำยังไงให้มันอยู่สายกลางอะคะ่ะในเมื่อเราจะถือสีลแปดบวชไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทาตามหน้าที่ทาตามเหตุผลเนียร่างกายก็เป็นเหมือนคนไายคนหนึ่งที่เราต้องดูแล <laughs> ไม่ต้องอดูแลมันแบบสุดๆดูแลแบบพอพอให้มันอยู่ได้ก็พอไม่ต้องไปงวุ่นวายกับมันมากค่ะแล้วก็หนูก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บเงินแล้วไปซื้อที่ที่แบบอยู่ในป่าเลยอะค่ะเ ป, เป็นป่าเป็นเขาอยาเงี้ยแล้วก็เก็บไว้เผื่อเราอยากจะปีกเว้ยเวกเพื่อถึงเวลาที่คุณหมอเขาอนุญาตอะคะ่ะให้หยุดยามันจะมีมันจะอาจอาจจะเป็นไปได้อะค่ะหลวงพ่อกลับ มีแค่เนี้ยค่ะโอเคทาได้ก็ดีอยากไปซื้อที่มันก็ต้องไปสร้างเองมันก็ต้องก็ <c oughs> จะเอากุฏิพระเนี่ยค่ะเอาแบบแค่นี้ค่ ะ, ะ, ะแล้วก็ปลูกปลูกผักเพื่อนข้างบ้านคือเราจะไปรวมกันมันก็ต้องดูความปลอดภัยด้วยนะเราเป็นที่อยู่คนเดียวค่ะ <c oughs> ก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนๆ น, น, นะคะที่นี่กันว่าจะไปซื้อกันแปลงผสมประสานกันนะคะแต่ต้องไปดูที่ค่ะอ ที่มันฉลเพ่จะได้ทำใจให้แฉมบได้ง่ายใช่เป็นป่าป่าหมดเลยอะค่ะต้องไปถามแล้วก็มีวัดที่เบสแล้วก็มีศาสนาอื่นด้วยเราต้องไปดูว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เขาให้ให้ตั้งแคมป์ได้แค่สามสิบสามสิบวันเท่านั้นแล้วก็ต้องต้อง ask permit อะไรสร้างสร้างบ้านหนูไม่อยากได้บ้านนะค ะ, ะค่อยข้าจะลำบากหน่อยที่ ต้องเลตาขดระเบียบครับค่ะหลวงพ่อเอะภาพที่ข้างหลังนี้เป็นภาพจริงหรือเป็นภาพครับอ๋อพปะพค่ะ <c oughs> พระพรหนูเปลี่ยนไ ม, <อ>ไม่ได้ค<อ>ุยกับวัลโนวัลโนมากมันม็นนนจักใหญ่หอย่างเงี้ยไม่มีนนอัน <c oughs> <c oughs> นี้ในนิวยอร์กอ่านั่งเฉยๆมันไม่ใช่วนมากคัลนมากมันเป็นเนอนกับเป็นน้ำพาแล้วนี่คัมันใช่ค่ะหลวงพ่อก็อยู่ในป่าแล้วแต่ยังไม่ป่าพอ ดีกหการที่สมองวิเวงนะถ้าต้องการปฏิบัติท้องการรักษาใจให้สมองมากดีค่ะการขอให้หายนะใช้ไม่ต้องกินยาหุดยาก็ก็คุณหมอหนูก็บอกคุณหมอมีไม่อปชั o n ที่หนูไม่ต้องกินยาหมอบอกหยุดไปเลยหยุดไปเลยหนูหนูเหลืออยู่หมอเดียวแล้วค่ะตอนนี้คือทุกอย่างเอาหมอทุกคนที่เก่งกาดออกหมดแล้วเหลืออยู่หมอเดียวเพราะว่าร่างกายเขาเขาต้องการหมอ ส่วนตากับหูเนี่ยค่ะแล้วมันมันจําเป็นในการนั่งสมาธิเพราะว่าเขาบอกว่าหนูชักเป็นโรคชักแล้วไปหาหมอชักแล้วเขาก็จับเขาเขาให้ยาหนูแล้วหนูก็กินยาเข้าไปแล้ว ส, สรุปแล้วปีหนึ่งเต็มเต็มนั่งกาารรมฐานไม่ได้เลยคือหลับอย่างเดียวก็เลยก็เลยบอกว่าหมอตรวจเถอะตรวจตรวจให้แน่ว่าฉันมีหรือเปล่าแล้ว ส, สรุปเราก็ไม่มีค่ะก็คือเสียเวลาการปฏิบัติมากก็เลย จัดการหมอไปทิ้งไปเลยคุณเก่งคุณเก่งไว้เป็นไรค่ะหลวงพ่อกลับมาัตการค่ะสาธุสาธุค่ะนอพิเศษอาจารย์พิเศษน่าคุยให้ยังพพิเศษอยู่ที่ไหนพิเศษสนครครับอาจารย์สกนคารานะสกลนครครับสกลนครมีอะไรไหมอ๋อจะสอบถามพ่อจันหน่อยครับาว่ามา เวลาที่เราจะนอนเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าอะไระ ท, ที่เขาฝึกจิตจนตั้งมั่นแล้วอะ่ะ mm hmm. เวลาที่เขาจะนอนเนี่ยเขาจะวางอารมณ์ของจิตยังไงครับพระอาจารย์ก็มนเฉยๆไม่คิดกุ้มใจวางลงไปโดยทำเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็ทำให้มันมันก็จะหลับไปเองถูกไหมใช่อตอแนี้นข อ, ขอจิต<อ>เขาวางล พอถึงหมอนปนไม่ถึงนาทีนั่นก็หลับอ๋อเขาจะวา ง, งอารมณ์จิตแบบเหมือนเหมือนหับไม่มีอะไรใช่ไหมพรับไม่มีความจิดไม่มีความนึกคิดต่างๆแบบอ๋อตรงนั้นก็จะหลับไปถูกไหมฮะใช่แต่คนพวกนี้เวลาเขาหลับไปเนี่ยพวกเอที่เขาฝึกจิตจนตั้งมั่นเนี่ยปกติเขาจะฝันไม่แพ้กันก็แล้วแต่มันคนเขาฝันบางคนทําไม่ฝันถ้าเขาฝันนี่เขาสามารถที่จะสั่งให้หยุดฝันได้ไหม ไม่ได้หรอกขณะที่ฝันมันก็ไม่มีสติตอนนอนหลับมันไม่มีสติอืมเอะแต่แต่พวกนี้มันเป็นสติแข็งแรงมันน่าจะสั่งให้หยุดฝันได้ไหมครับอาจารย์มันต้องหยุดใช้เวลาจะนอนเนี่ยอะไรนะะถ้าเวลาจะนอนมันต้องหยุดใช้สติชั่วคราวถ้าใช้สติมันก็นอนไม่หลับมันก็ตื่นเพราะเพราะทำหลักการฝันเนี่ยมันเป็นมันเป็นการปรุงแต่งของความคิดที่อยู่ในจิต เตะกอนของจิตที่อยู่ข้างในใช่ไหมพ่ะย่ะจ่าเขาบอกว่ามันมันไม่ค่อยฝันอย่างพวกนี้เขาไม่ค่อยฝันครับข้างในก็จะไม่ค่อยฝันแต่ก็มีบ้างบางครั้งวันหนึ่งนะที่คอยยกเงินแต่โดยปกติมันจะไม่ฝันอย่าพวกที่มีมีสติมีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ค่อยฝันครับเพราะว่ามันเป็นการฝันมันเป็นตะกอนของจิตความปรุงแต่งที่อยู่ข้างในใช่แต่ว่ายังมีมันก็อาจจะฝันได้บ้างเพราะตอน้องตอนตื่นมันก็คิดอยู่ตอนที่ไม่ได้สมาธิมันก็คิดอยู่ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรฝันอะไรก็ฝันไปเตยมาก็รุนะ้มในควาฝันนั้นก็ปล่อยไปไม่ไปยึดไปติ่งครับครับครับจบกันพญานแค่ น, นี้ครับพญานครับนี่ไงที่ว่าไปถึงเฟซบุ๊กและคุณลนาะคุณดนาะมีอะไรไหมถ้าเฟซบุ๊กมีคำถามทั้งหมด7จ็ดคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณภูกิจ กรณีบิดามาันดาป่วยหนักเข้าไ c ซผู้เป็นลูกปฏิเสธการรักษาโดยการช่วยชีวิตเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจการปั๊มหัวใจเพราะไม่อยากให้บิดามาันดาต้องทรมานเพิ่มเนื่องจากปั๊มหัวใจก็อาจจะเกิดซี่โครงหักได้เนื่องจากผอมมาก แบบนี้จะติดอนันตริยกรรมไหมครับแบบไหนที่จะติดอนันตริยกรรมบ้างแบบไหนรอดบ้างครับคืเ อ, อเรื่องของการรักษาเนี่ยมันไม่ติดไม่รีรักษามันก็ไม่ติด ม, ม, มันไม่เป็นอนันตริยกรรมทั้งสองอย่างจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ขึ้นอยู่กับแพทย์ดีกว่าเราต้องอาศัยความคิดเห็นของแพทย์ว่าแพทย์ว่าควรจะรักษาและไม่รักษา ถ้าได้ก็บอกควรจะรักษาถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งไว้ว่าไม่ให้รักษาก็ต้องรักษาไปตามกำลังของเราแต่ถ้ารักษาแล้วไม่มีกงิจ่ายแล้วก็บอกแพทย์ก็มาว่าไม่มีเงินจ่ายอยงที่ท่านยก็บอกอ่างนี้ก็ไม่ต้องรักษาแล้วไปถ้า evet. <c oughs> <c oughs> ไม่มีเงินจ่ายพาก็ไม่มีพายก็รักษาไม่ได้แล้วมันมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแต่ละเรื่องว่าควรจะรักษาแล้วไม่รักษา ถ้าพ่อแม่สามาั่งไว้กับว่าถ้าเราเป็นอะไรไปไม่ต้องเอข้าโรงพยาบาลไม่ต้องใช้ท่อไม่เลือกใช้อะไรเราก็ทำตามคำสั่งได้ถ้าพ่อแม่ไม่สั่งถ้านเรายังสามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้แล้วทําให้เขาฟื้นได้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดท่าที่เราจะทำนะแต่ถ้าทําแล้วมันไม่ฟื้นมันไม่ดีขึ้นก็อย่าไปทำํำนะครับเข้าใจเหตุผลหับเหตุผล คำถามต่อไปจากคุณเยี่ยหัวกราบแทบเท้าพระอาจารย์ขอรับหากเราชอบทะเลาะกับแฟนหรือบางทีทะเลาะกับพ่อแม่เราจะยังสามารถเข้าถึงธรรมจากการปฏิบัติสมาธิได้ไหมครับถ้าเรายังมีทานศีลภาวนาครบถ้วนกราบพระอาจารย์ขอรับก็เวลาปฏิบัติเราก็ไม่มไม่ได้เกี่ยวกับการเรื่องไปถีบคนนั้นไปถีวันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสยัยของเรา การปิบัติี้เราก็ทำสัวันทราร์สติแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปก็ไม่เกี่ยวกนะับเรื่องที่เราจะไปทีคนนั้นแลคนนี้หรือไมมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคาถามต่อไปจากคุณแม่จากต่น้องมีนากราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะพอดีหนูฝันว่าโดนตัดมือขาดตอนแรกก็รู้สึกกระวนกระวายใจพอสักพัก คำสอนของพระอาจารย์ก็ผุดขึ้นมาเรื่องการไม่ยึบติดกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ของเรามันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปก็เลยตัดความกระวนกระวายใจในความฝันได้ถือว่าความฝันนี้เป็นบททดสอบเรื่องการปล่อยวางทางร่างกายได้หรือเปล่าคะได้ก็ถ้าเราทำในฝันได้เราก็ควรจะทำในขณะที่เราไม่ฝันได้ คำถามต่อไปจากคุณเชษณรัตกลาบนมัส ก, การถามหลวงพ่อที่เคารพ อ, อย่างสูงว่าถ้าได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในอดีตที่ผ่านมาเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะรู้ได้อย่างไรที่เราได้บรรลุธรรมดังกล่าวมาแล้วจะสังเกตได้อย่างไรครับเพราเราก็จะไม่กลัวความแก่กลัววักเกลัวกลัวตาย เราก็จะชื่อหลักเหตุผลเราก็จะชื่อในหลักอริยาสัจสี่เมื่อเราจะเลื่อนเลือกริยาาสัจสีเรื่องตายรับอยู่นวณตลอดมาคำถามต่อไปจากคุณลินลี่พระอาจารย์จะมีสอนทำสมาธิออนไลน์ไหมคะฝึกเองไม่รู้จะเริ่มอย่างไรคะ่ะก็นเนี่ไงก็สอนอยู่ทุกครั้ ง, งสอนเรื่องสมาธิเรื่องสติแต่วล า, าปฏิบัติต้องไปปฏิบัติกัน้อยเอง วิธีปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสมาธิด้วยกันทุกอย่างตัวใครตัวมันเนื่องการปฏิบัตินี้่ระดับเวลาไหนอยู่ที่ไหนก็ทำไปถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็ก็ก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาจะปฏิบัติกับคนนห้นคนนี้หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอยู่ที่เรารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ น, นั้นคำถามต่อไปจากน้องลินหลิ่น สอบถามพระอาจารย์เห็นว่าร่างกายทานอาหารมื้อเดียวได้หนึ่งมื้อก็อยู่ได้ทำงานได้ปกติเจ้าค่ะลองไม่รับประทานหนึ่งวันครึ่งสี่สิบชั่วโมงทานน้ำเปล่าอย่างเดียวร่างกายทนได้เจ้าค่ะแบบนี้เป็นการฝึกไหมเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าเราฝึกอะไรนะถ้าเพิ่งอดทอที่เฝึยู่แต่ถ้าเกดสติสมาธิก็ไม่ติดการฉุด เพราเราเราไม่ได้ฝึกสติการฝึกสตินี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการอดข้าวเราไม่อดข้าวมันอยู่ที่ว่าเราพุทโธพุทโธหรือไม่ฝึกสมาธิก็อยู่ที่ว่าเรานั่งสมาธิหรือไม่แต่ถ้าเราอดข้าอย่างเดียวแล้วเราไม่ฝึกสติเราไม่พุทโธเราไม่นั่งสมาธิเราก็ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิเพียงแต่ฝึกการอดข้าเท่านี้คําถามสุดท้ายจากคุณสุพัน กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าขอถามเคยนั่งสมาธิมีจิตรวมลงเพียงครั้งเดียวปัจจุบันไม่รวมลงแล้วเรียกว่าไม่ก้าวหน้าแล้วใช่ไหมคะแต่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ดีหลายครั้งเจ้าค่ะก็ต้องพยายามปฏิบัติต่อไปถ้ามันเคยดก้าไปได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็น่าจะสามารถเข้าไปใหม่ได้ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะเข้าไปว่าทํา วิธีที่จะจะเข้าไปใหม่ก็ต้องลืมลมผลที่เคยได้รับในอดีตอย่าไปอยากได้ผมนั้นใหมาอยู่กับสติในปัจจุบันให้อยู่กับพุทโธใหอยู่กัลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าจะจะสงบหรือไม่สงบเดี๋ยวมันก็สงบขึ้นมาเองหมดได้เลยคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะทีนี้มีใครในห้องอยากจะถามใหม่ไม่มีรอบหแล้วก็อยากจะถามว่ายกมือขึ้น แล้วก็บันไรให้มาอะไรหนูมีคำถามนิดนึงค่ะพอดีว่าตอนที่ไปเชียงรายหนูไปวัดที่หนึ่งแต่ไม่ใช่วัดป่าเป็นเป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาเปิดเพลงปรากฏว่าแฟนหนูที่เขานับถือคริสเขานั่งได้เพราะว่าน่าจะน่าจะชินกับเพลงเลยค่ะ เออหนูหนูนั่งไม่ได้เพราะว่าหนูติดความสงบอันนี้มันถือว่าเป็นการติดรูปแบบไหมเจ้าคะไม่นาะก็าเขานั่งฟังเพลงเขาไม่ได้นั่งสมาธิเขาว่านั่งได้มันนั่งนูหนังเขาก็นั่งได้ร้อยก็นั่งไม่มีอะไรให้เขาฝัาเขาก็นั่งได้ด้อืมแต่เห็นเห็นเขาบอกว่าเขาเขาก็เหมือนแบบน่ะเขาาใช้วิธีที่พระอาจารย์สอนกดโทรเขาบอกว่ามันมันมันสงบขึ้นแต่ว่าหนูนั่งหนูนั่งไม่ได้เลย ม, มนันติดก็จะริญเจริญต่างกันทั้งแต่วิธีอะวิธีใช้ใช้การนั่งการทําใจใช่ผมมันต่างกันคราวนี้ต้องใช้พุโทโธรใช้ลงเขาอาจจะต้องใช้เสียงเพลงเรื่องของเขาแต่ไม่ไม่สงบมากหอกถ้าใช้เสียงเพลงค่ะมันอเลยเหมือนไม่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็เลยอยากกลับรีบกลับมาที่วัดนะคะอย่งนี้ก็ติดเหมือนคนจะอยู่ที่ไหนก็คนจะทําได้ นี่แรกเก็บที่เก็บที่ก็ควรจะ้ำที่ที่บ้านได้ไม่ทําที่อื่นก็ควรจะทําได้ที่บ้านเงียบค่ะก็ไม่ไม่เปิดอะไรแต่ว่าที่ที่วัดเหมือนเขาเปิดเพลงเปิดเพลงคลอต้องคุณค่ะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ไม่บอกถ้าที่ไหนมันไม่สงบไม่เงียบก็ไม่ควรจะอยู่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเมื่อทีเห็นใครยกมือขึ้นก็ัง คุณชนินนะยอดผู้ชนินมากนะใช น, นครับชนินครับถ้าเราจะอยากก้าวหน้ากว่าอที่เราเคยได้คาลิกะสมาธิครับเราต้องทอํายังไงต่อไปครับก็ต้องทาให้มากขึ้นนั่งให้นานขึ้นนั่ให้บ่อยขึ้นแสดงสติให้มากขึ้นถ้าเราแบบ นั่งตอบไปนานๆในวันนั้นอย่างมันจะก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ได้หรอกมันก็อยู่กับว่าเรานั่งด้วยสติหรือไม่ไม่มีสติถ้ามีสติก็จะก้าวหน้าถ้านั่งแล้วไม่มีสติมันก็จะไม่ก้าวหน้ามันต้องพยายามถดสติให้ราาครับมากๆใจนะครับถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องต้องก้าวหน้าโดยสติต้องถกสติให้มากๆ ครับขอบพรัอาจารย์มีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้ไม่มีให้คุณบอยใย น, นยางานายงานใชาานชาลวันนี้มีผู้ชมจุดนการกี่ก่อนนะนะวันนี้ทางทางเฟ o บุ๊กอาจารย์มีสองร้อยเก้าสิบคนฮนะทาง u t u b e พระอาจารย์พระสุชาติไลฟ์มีร้อยสามสิบคนฮนะแล้วก็ยู u ูบด็อเรวมีร้อยห้าสิบหกคนในห้องซูมห้าสิบสาม แล้วก็ที่สรนะับเฮาสิบแปดฮะรวม6 5ร้อยห้าสิบเก้าคนครับอ๋อั้หมดรออันนี้ดูสดๆ ด, ด้วยกันนะครับม่ น, น่ายินดีมีคนดูธรรมะมากขนาดนี้นะก็เห็นว่ามากแล้วอยากที่พูดเนะ่มันมนอนกเขาโว้เขาควายมันโดนมันไม่แค่สองเขาเลยอาจารย์ฮะผมเห็นคนใหม่เข้ามานะเอเนี่ยเห็นนะ าเข้ามาใหม่แบบผูกระจายได้่ผมมซ้ายล่างครับครักลับได้หรือไยได้ยินไหมคะได้ยินอ่ะอาร์พูดได้เลยอยู่ที่ไหนอกู่ทค่ไหนอยู่ที่พัชยาค่ะพระอาจารย์อ่ามีอะไรไหมอ่ก็ได้คาตอบหลายคำอ่อได้ได้หลายคาตอบพอดีว่า อยากจะมาถามเรื่องหมาที่ป่วยภายในบ้านคือเขาป่วยติดเตียงเหมือนติดเตียงเหมือนคนเลยอะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่ากาลังส่งกลิ่นเน่าแต่ว่าก็ ก, ก็ก็ยังไม่ตายยังได้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันอยู่ทีนี้ทั้งลูกทั้งแฟนก็บอกว่าไปให้คุณหมอประชีดยาแต่เราไม่กล้าทำ<ม>ก็บอกว่าไม่เป็นไรจะดูแลเขา เข้าไปจนถึงที่สุดอะคะแต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เนี่ยคือมันทำให้โยมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างด้วยค่ะว่า อ, อ๋อสัตว์ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็ส่งให้เราเห็นบางอย่างว่าคุณก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันที่พอถึงเวลาที่แบบเจ็บป่วยที่ แน่นอนติดเตียงที่จะเป็นแบบนี้อ่ะค่ะแต่ก็ยังคิดว่าหมาก็ยังโชคดีที่มีเราดูแลแต่ทีนี้ก็มานั่งย้อนนึกถึงตัวเองว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นบ้างะก็คือเราจะต้องมาต้องรักษาใจเห็นที่พระอาจารย์ได้พูดเมื่อตอนต้นๆอะค่าว่าเราต้องรักษาใจไม่ให้ถูกกับอะไรทั้งสิน้นทําให้รู้ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอน เพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลคุณแก่ที่ในบ้านอายุจะเก้าสิบแปดสิบกว่าบ้างนะคะพาอแม่ดามีนก็แม่ของตัวเองเป็นคนดูแลคุณเยอะค่ะก็ดีได้ดูเยอะดูแลพ่อแม่คุณย่าตายายท่านทำบน้าที่ค่ะแล้วในในเรื่องเรื่องของของของหมาของสุนัขเนะคะีคยค่ะอาจารย์ มันเป็นเรื่องของที่เราจะต้องทําใจและให้เขาไปเองใช่ไหมคะใช่ก็ตอนที่เขามีกำลังมาังชาแล้วก็เล่นเขาได้แนตะ่มันตอนนี้เล่ก็ไม่ได้ก็เล่นต่อไปในใบตาข่ายมันจะตายจากกันไป น, นั่นเองอ๋อนะคะแต่สงสารเขามากเลยอะคะ่ะเพราะว่าสงสารก็เดี๋ยวไปทำให้เขาตายทําให้เขาตายมันก็ไม่สงสารแนละ้วอาจารอันสงสารก็ปล่อยเข า, ยขายอยู่ไปด<า>ูว่าไ คือต้องคอยพลิกตัวเขาอยู่ตลอดเวลาขี่เยี่ยวป้อ<บ>เราจะได้มีความเมตตาเราได้มีโอกาสสร้างความเมตตาไสร้างทานบารมีแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็มันเริ่มปวดไหล่ปวดอะไรเพราะว่าต้องคอยพลิกตัวแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารู้อยู่ว่าเราเราก็รักเขาเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเท่าที่เราทําไหวก็แล้วกันถ้ามันทำไม่ไหวก็ต้องปล่อย หนูก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าอาหารก็ต้องไปหาสิ่งที่เขาชอบมาเขาก็ไม่กินก็ต้องให้เขากินในสิ่งที่ชอบคือหมอก็ไม่ให้กินแต่ว่าเราก็ต้องให้กินนะเขาถึงถึงจะกินนะคะก็ได้ก็าทำไปเขาทำไปว่าทด้วยความไม่ตาไม่เสียหายอ๋อค่ะก็ได้อะไรเยอะมากเลยค่ะวันนี้แล้วก็พอเห็นน้องเขาพูดถึงเรื่องที่ติดโควิด ซึ่งตัวเองก็ผ่านมาติดกันทั้งบ้านกับสิบคนแต่ก็ดูแลมาจนไม่มีใครเป็นอะไร<ม>ก็เลยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจจริงๆนะคะพระอาจารย์ได้คำสอนของพระอาจารย์เยอะมากค่ะไดปะะ้ปฏิบัติเนี่ยเยอะมากๆเลยในเรื่องของใจค่ะใช่เรันองเวลาใจอย่างเดียวอะไรจะเกิดก็ปล่อยเกิดไปแล้วจะดับก็ปล่อยมัดับไปค่ะค่ะ กับสาธุผอาจารย์ยค่ะค่ะอยู่ที่พัทยานี่เองนะใช่ค่ะก็ไปไปไปฟังธรรมพระอาจารย์บ่อยมากค่ะเมื่อกี้เ้าก็ไปอ่ะค่ะอ่าเด่ค่ะก็เชิญเข้ามาเรื่อยๆนะท่ามีคำถามอะไรก็เข้ามาได้ทุกคืนทุกคืนได้ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ไปฟังพระอาจานเหมือนกันทางเฟซบุ๊กอะค่ะแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาพอดีว่าอยากมีคําถามก็เลยแบบ มันค้างคาใจในเรื่องเรื่องของของหมานี่เยอะนะคะคก็เลยแบบโอต้องมาถามพระอาจารย์ละเพราะว่าเราจะเถียงกับคุณในบ้านลูกบ้างอะไรอย่างเงี้บ้างสามีบ้างอะคะ่ะที่จะให้เราทําเราไม่ทําอะคะอ่ะจา เ, เขาไปรู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นยังไงครับ<อ>โอเคค่ะค่ะค่ะสามมีใครบ้างมีใครอยากมาถา ม, มอะไรบ้า